เด็กๆมัสักถ้าสักเอาสวยเอางามมันก็ไม่เป็นไรอะแต่ว่าถ้าไปสักเพื่อที่จะให้เกิดความขลังความเฮี้ยนขึ้นมานี่นะออันนี้ขอเตือนไว้เดี๋ยวเอาเรื่องเนี้ยเตือนนะครับคือเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับวิชาเสือสมิงมันมีคาถาอาคมเป็นสื่อในการประจุ ค, ความขลัง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 มีอาการเื่อคนบ้าบางครั้งก็มีอาการคลุ้มคลั่งบ่นบ้าเพอ้อเจอ้อไม่เป็นเรื่องไปแล้วหลวงพ่อปานเวทนาท่านก็ทำน้ามนต์รักษาให้แล้วก็กล่าวสั้นๆแต่เพียงบอกว่ามันเรียนวิชาจราเขหมายถึงวิชาจำแรงแปลงร่างเป็นจรเข้ผู้ชายแปลกหน้าลึกลับคนนี้อาจจะแปลงกายเป็นจระเข้ตามเวทมนต์ที่ตัวเองเรียนสมัยนั้น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 ร่างของพลทหารจอ ก, กลับกลายเป็นจร์เข้ตัวใหญ่ท่ามกลางความตกตะลึงเพึงเพลิดของทุกคนที่มองเห็นแม้แต่เสด็จในกรมก็แทบจะไม่เชื่อพระเนตรของท่านเองจร์เข้พลทหารจอร์ดฟาดถางตุมตามตุมตามมาว่ายไปรอบศรโดยมีทหารบนบกดึงรั้งเอาไว้ไม่ให้จร์เข้จมหายไปเมื่อแสดงอิทธิฤทธิอันเหลือเชื่อเป็นที่ประจักษ์สมควรแล้วหลวงปู่สุขก็เข้าไปในไปเอาบาตรใส่น้ำมนต์ในกุฏิ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 แล้วก็ได้พบกับความน่ากลัวเวลานั้นหลวงพี่บุญเย็นอยู่กลางห้องกําลังอยู่ในท่าคลานแต่ว่ายกหัวเขา่าพ้นพื้นเยี่ยวคอมองซ้ายมองขวาชา้ชาๆแล้วก็เสียปากแยกเคี้ยวทําเสียงขู่คารามเหมือนเสียงเสือไม่มีผิดในตาของท่านที่ขวาดมองพระเนนเด็กวัดที่มามองดูนี่ขุนขวางเขียวปัดเหมือนตาเสือไม่มีผิดหลวงพี่บุญเย็นคลานถอยหลังไปที่มุมกุฏิซึ่งบินที มันเป็นห้องโล่งๆใช้สองมือที่กลางนิ้วเกรงเป็นตะขอตะ ก, กุยกับพื้นกระดานอย่างแรงน่ากลัวเล็บจะฉีกแล้วก็ขู่คำรามไม่ขาดเสียงบางครั้งก็ทํำท่าตะกายจะขึ้นทางฝาท่าทางหลวงพี่บุญเย็นขณนะนั้นเหมือนเสือไม่มีผิดเลยเวลานั้นหลวงพี่อินถาไม่อยู่ซะด้วยพวกที่มุงดูเหตุการณ์ก็มีพระเ น, นหนุ่มๆ ห, หลายรูปก็ไม่รู้จะทํำไงดีคุณสมบูรณ์ได้ยินว่าการที่หลวงพี่บุญเย็นเป็นอย่างนี้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 หลวงนาของคุณสมบูรณ์เป็นพระอวุโสพรรษาที่สุดในคณะท่านเจ้าอาวาสมอบหมายให้ปกครองดูแลพระเนรและเด็กวัดในคณะทั้งหมดเมื่อมีเรื่องหลงพี่บุญเย็นอรารวาสแปลกๆหลวงนาก็เลยให้คุณสมบูรณ์ไปเชิญหลวงพี่อินฐามาพบเพื่อสอบถามเรื่องราวเนื่องจากเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์อืดเฉาไปทั้งวัดเมื่อหลวงพี่อินฐามาพบหลวงนา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 แล้วก็ให้หลวงพี่บุญเย็นกินก็ไปให้หมดโดยบอกว่าถ้าไม่กินเนื้อชิ้นนี้ความขลังและคุณวิเศษของอาคมจะไม่สำเร็จผลหลวงพี่บุญเย็นก็ยอมกินกระเรียงเท่าเห็นหลวงพี่บุญเย็นกินเนื้อจนหมดก็ยิ้มแย้มเบิกบานด้วยความดีใจแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้สู้คือผู้ที่สืบเชื้อสายจากข้านะวิชาของข้าเ ข, า, ขาจะไม่สูญหายไปจากโลกนี้แล้วละ่ะ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 แล้วก็ที่ทำให้ผู้พบเห็นตื่นตะลึงพึงเพลิดก็คือตลอดร่างของตากระเรียงนี้มีรอยจางๆเหมือนลายเสือผาดกรอนพาดตลอดตัวข่าวกระเรียงเท่าเป็นเสือสมิงแพร่ออกไปตลอดแถบถิ่นที่อยู่นะ่เมื่อหลวงพี่บุญเย็นรู้ข่าวนี้ก็ตกใจก็หวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะว่าเพิ่งแน่ใจว่าวิชาคาถาอาคมที่กระเรียงเท่าถ่ายทอดให้ตัวก็คือวิชาเสือสมิงหรือวิชาเสือเย็นนี่เอง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 เรื่องราวของหลวงพี่บุญเย็นซึ่งหลวงพี่อินถาเล่าให้หลวงนาอุณสมบูรณ์ฟังอยู่มีอยู่แค่เนี้ยซึ่งหลวงนาก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้หลวงพี่อินถาก็กราบเรียนหลวงนาในตอนท้ายบอกว่าเ อ, อกระผมกับพระบุญเย็นก็พยายามสืบหาผู้มีวิชาทางไสยศาสต ร, ร์ชั้นสูงเพื่อจะขอร้องให้ท่านถอนวิชานี้ออกไปจากตัวพระบุญเย็นเสียทีแต่เดินทุดงไปทั่วก็ยังไม่เจอใคร รู้วิธีถอนอาหันวิชาเสือสมิงได้ครับตั้งใจว่าจะออกพรรษาแล้วนี่จะลองข้ามชายแดนเข้าไปทางคเหม็นอาจจะมีวาสนาได้พบกับอาจารย์เก่งๆสักคนตลอดระยะเวลาสามเดือนที่เข้าพรรษาหลวงพี่บุญเย็นอรารวาดเพียงครั้งเดียวจนกระทั่งออกพรรษาแล้วหลวงพี่บุญเย็นกับหลวงพี่อินถาก็าออกทุดงไปด้วยกันอีก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 คืนหนึ่งขณะเดินข้ามภูเขาสูงแต่ข้ามไม่พ้นก็เลยต้องหยุดพักปักกรดบนสันเขาใกล้ๆกับเหวลึกดึกคืนนั้นอาถรนวิชาเสือสมิงก็เข้าครอบงำหลวงพี่บุญเย็นอีกหลวงพี่บุญเย็นคลุ้มคลั่งอรารวาสพฤกิริยาของเสือหลวงพี่อินฐาใช้น้ำมนแก้ราดรสทิสะยังไงก็เอามาอยู่ก่อนที่หลวงพี่บุญเย็นจะเข้าทำร้ายเพื่อนรักของท่านตอนนั้นความรู้สึกตัวที่ท่านเหลืออยู่เพียง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 นางแก้วตานี่เป็นผู้หญิงอายุก็สักสี่สิบเศษเนี่ยเป็นผู้ที่มีฐานะที่เรียกว่าพอมีอันจะกินคนนึงในหมู่บ้านแต่เรื่องนี้เกิดที่เมืองนอนทนีเองครับครอบครัวของนางแก้วตาเนี่ยประกอบอาชีพค้าขายเปิดเป็นร้านขายของชําหน้าร้านยังขายอาหารประเภทของแห้งปลาหมึกปลาทูไส้กรอกเนี่ย ประกอบกับความขยันน้องสามีนี่ทำให้นางแก้วตานะ่มีเงินซื้อทองเส้นโตโตมาใส่ที่คอที่แขนที่หูนิ้วมืออ่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ปล่อยให้ตรงไหนว่างอะต้องใส่ทองโชว์ไว้ก่อนโชว์ความร่ำรวยการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสีสดใสจัดจ้านบาดตาไม่เหมือนกับคนชาวบ้านที่อยู่แถวแถวชวนบทอ่าสมัยนั้นเมืองนอนทนี่ยังยังเป็นชนบทอยู่ ส่วนสามีนางแก้วตาเนี่ยแต่ก่อนเคยทํางานเป็นลูกจ้างบริษัทที่ทําโรงเลื่อยแต่ว่าปัจจุบันก็มาทํางานอยู่ที่สํานัก ง, งานอบตาในตําแหน่งจัดเก็บรายได้จริงๆแล้วใจนางแก้วตานี่ยมาอยากจะขายของเพราะลำพังเงินเดือนผัวก็เลี้ยงสองปากสองทองได้อยู่แล้วเพราะลูกชายสองคนก็โตแล้วก็แต่งงานออกเรือนกันไปหมดแล้วแต่ว่าขัดผัวไม่ได้เพราะนายเสวกเนี่ยเป็นคนขยันเป็นคนออกความคิดลงทุนซื้อข้าวของเข้าร้านให้เมียนั่งขาย เพื่อจะได้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวนิสัยนางแก้วตาเป็นคนปากจัดชอบติคนโน้นว่าคนนี้อยู่เป็นประจำะไม่ได้ติฉินลินทารับหลังอย่างเดียวนะบางครั้งต่อหน้าก็เอาตำหนิติเตียนเขาซึ่งซึ่งหน้าก็มีจนบางครั้งคนที่ถูกต่อว่าซึ่งหน้าเขาก็โกรธทะเลาะกันก็มีแต่บางคนก็ไม่อยากจะมีเรื่องด้วยก็ได้แต่งเงียบแล้วก็เก็บความโกรธไว้ในใจหลังจากนั้นก็ไม่ยอมมาซื้อของที่ร้านนางแก้วตาอีก ส่วนข้อดีของนางแก้วตาก็มีคือเป็นคนรักและเชื่อฟังผัวผัวดีผัวพูดอะไรเชื่อเพราะว่าเคยแข่งข้อกับผัวมาแล้วก็โดนมวยไทยมวยฝรั่งผัวตีเข่าเขาเยาสอกรัมแม่ไม้มวยไทยสองผลสามก็เลยไม่กล้าหือเพราะถ้าหือเมื่อไหร่เป็นต้องปิดประตูเงียบไม่กล้าออกมาพบผู้คนหลายวันเพราะว่าหน้าบวมเสียโฉม นายเสวกผัวนางแก้วตาเนี่ยมีนิสัยเสียอยู่อย่างคือเป็นคนเจ้าชู้พราะถือว่าตัวเองเป็นคนรูปหล่อมีเงินมีทองก็เลยชอบเรื่องผู้หญิงบางครั้งก็ทําให้ตัวเองเดือดร้อนเนื่องจากไปทําเด็กสาวต่างหมู่บ้านท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบเขาก็ตามมาเอาเรื่องถึงบ้านจนถึงก็มีเรื่องมีราวถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นขี้ปากให้ชาวบ้านเอาไปดินทา การทำอะไรเสียหายในชนบทส่วนใหญ่จะรู้ทั่วถึงกันหมดเพราะว่าชาวบ้านมีเวลาว่างมากก็มีเวลาคุยนินทาคนโน้นคนนี้ในหมู่บ้านเดียวกันมีครอบครัวหนึ่งฐานะยากจนมากมีลูกหกคนแต่ละคนก็อยู่ในวัยกำลังกินกำลังนอนพ่อกับแม่พ่อชื่อในหมอกแม่ชื่อนางเอียงมีอาชีพรับจ้างทำนาทำไร่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันวันน่าสงสารมาก เข้ามาขออาศัยชาวบ้านเจ้าของสวนคนนึงปลูกกระต้อปอยู่ท้ายหมู่บ้านที่เกิดมาจนเราคงจะเป็นพ่อมีกรรมเก่านั่นเองแต่นางแก้วตาก็ไม่ได้มีความเมตตาสงสารเด็กๆในครอบครัวนี้เลยเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องลูกของนายหมอกกับนางเอี้ยงซึ่งมีอายุไล่เลี่ยงกันทั้งผู้หญิงผู้ชายคือแกมีลูกตั้งห้าหกคนแต่ละคนก็ล้วนจะเป็นโรคขาดสารอาหารร่างกายผ่ายผอมเนื้อเสื้อผ้าเนื้อตัวมัมแมม เนื่องจากพ่อแม่หามาได้ไม่พอเลี้ยงลูกเพราะบางวันไปรับย่างก็ได้เป็นข้าวบางวันก็ได้เป็นเงินแต่สองสาวันเขาก็จะจ่ายทีไม่ได้ทุกวันลูกๆ ก, ก็กินข้าวต้มกับเกลือมั่งกับน้ําปลามัาง่งเป็นที่น่าเวทนาสงสารของคนที่พบเห็นโดยทั่วไปมีบางคนก็หยิบยื่นขนมน ม, นมเนยมาม่าให้บ้างเพราะเด็กๆ เ, เ, เดินก็มาเล่นในหมู่บ้านมีอยู่วันนึงลูกคนโตของนายหมอกและนางเอี่ยงก็ทําหน้าที่เลี้ยงน้องก็าพาน้องๆไปเล่นในหมู่บ้านตามปกติ แล้วก็หวังไว้ว่าจะมีผู้ใหญ่ที่เมตตาให้ขนมตัวเองกับน้องๆกินบ้างเหมือนกับวันอื่นๆที่เคยมาก็เลยพาน้องๆมาเล่นที่หน้าร้านค้าของนางแก้วตาน้องสาวกับน้องชายอายุสามขวบห้าขวบเห็นขนมในร้านนางแก้วตาเยอะแยะลานตาไปหมดก็เกิดความหิวความอยากกินเดินก็ไปเมียงมองพอผู้ใหญ่เผลอก็แอบหยิบเอาถุงเขาเกลียบกุ้งในร้านนางแก้วตามากินถุงหนึ่งนางแก้วตาเหลือบมาเห็นเขาก็ตะวาดแว๊ดใส่เด็ก พร้อมก็ไปแย่งขนมในมือเด็กทันทีไล่ออกไปจากหน้าร้านเด็กร้องไห้ด้วยความตกใจกลัวพี่ชายเห็นอย่างนั้นก็มารยาท ด, ดีเข้าไปไหว้ยกมือไหว้ขอโทษนางแก้วตาแต่นางแก้วตาไม่ยอมให้อภัยเด็กกระโบกมือไล่ออกไปจากร้านทันทีไปไปไปไปให้พ้นจากร้านชั้นเดี๋ยวนี้เลยนะี่เด็กหัวขโมยเนื้อตัวก็สกปรกมัมแมมเหม็นสาบไม่ต้องมาใกล้ร้านฉันเลยเอาขนมคืนมาเนี่ฉันไม่แจ้งผู้ใหญ่บ้านจับเข้าคุก ก, ก็บนหัวแล้วเพื่อนนางแก้วตาก็ ยืนมองอยู่ด้วยก็บอกให้เขาไปกินเถอะแก้วเอ้ยสงสารเด็กมันไหนไหนมันก็เปิดถุงแล้วอ่ะจะไม่ให้หรอกเรื่องอะไรเคยตัวไปนะไปไปไปไปเหม็นขี้เหม็นเยี่ยวทั้งตัวไม่แต่ขี้มูกี้หูขีตาน้ําท่ามัรู้จักอาบเสื้อผ้ารู้จักซักคราวหน้าไม่ต้องไม่ต้องพาน้องมาเล่นที่หน้าบ้านฉันอีกนะเหม็นสาบจริงๆคนไม่เข้าร้านก็เพราะพวกแกนี่แหละนางแก้วตาดา่าไล่หลังเด็กอย่างสาเสียเทเสียโดยที่ไม่ได้มีความเวทนาสงสารเด็กเลย เพื่อนนางแก้วตาคนนั้นก็เลยเดินตามเด็กเอาขนมไปให้แล้วก็กลับมาควักเงินจ่ายค่าขนมให้กับนางแก้วตาลูกในหมอกคนโตก็เลยทั้งจุงทั้งอุ้มน้องผานหนีออกไปจากร้านนางแก้วตากลับบ้านไปพร้อมกับปลอบน้องไม่ให้ร้องไห้ไปตลอดทางพี่คนโตปลอบน้องไปก็น้ําตาไหลไปด้วยความสงสารน้องเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ชาวบ้านเอาไปนินทาว่านางแก้วตาใจร้ายใจดํา และตั้งแต่นั้นเด็กๆครอบครัวนั้นก็ไม่กล้าที่จะมาเล่นหน้าบ้านนางแก้วตาอีกเลยปีต่อมาชาวบ้านได้ข่าวว่านายเสวกป่วยร่างกายพายผอมกินข้าวไม่ได้นางแก้วตาบอกว่าผัวป่วยเป็นโรคปอดแล้วปีต่อมานางแก้วตาเองก็ป่วยบ้างมีอาการท้องเสียบ่อยๆแล้วก็เริ่มกินข้าวไม่ได้เรียวแรงก็ไม่มีนางแก้วตาก็บอกว่าติดโรคปอดจากผัวส่วนลูกชายสองคนของตัวก็ไม่มาเหลียวแลเลย พอเข้าปีที่สามหลังชาวบ้านรู้ข่าวว่านายเวกป่วยนายเวกก็ตายตายจากนางแก้วตาไปแล้วลูกถึงได้มาง่านศพแล้วก็บังคับไปนางแก้วตาเซ็นโอนมรดกให้เมื่อรู้ความจริงจากปากนางแก้วตาว่าตัวเองกับสามีเนี่ยป่วยเป็นโรคเอทเมื่อได้รับโอนแล้วโอนมรดกกันเรียบร้อยลูกชายสองคนก็หายหน้าหายตาไปอีกอ้างว่า ง, งานยุ่งและอยู่ไกล มาระยะหลังนางแก้วตาก็หมดเรี่ยวหมดแรงร้านค้าก็ไม่มีคนเข้ารกรุงรังยังก็รังหนูยังก็ไม่มีคนอยู่คนมาเยี่ยมดูอาการนางแก้วตาต่างตกใจมาเห็นสภาพนางแก้วตาผู้ที่อดีตเป็นนางสวยเสมอแต่บัด น, นี้ร่างกายพ่ายผอมเสื้อผ้าสกรปรกเหม็นขี้เหม็นเยี่ยวจนผู้ที่มาเยี่ยมต้องเอามือปิดจมูกกลัวจะอาเจียนผิวหนงังนางแก้วตาตอนนี้แห้งติดกระดูเพราะกินอาหารไม่ได้ นางแก้วตานอนน้ำตาไหลพร่าพรากแล้วสารภาพความจริงให้ชาวบ้านฟังว่าตัวเองเป็นเอจติดมาจากผัวซึ่งก็เป็นอย่างที่ชาวบ้านคิดจริงๆนางแก้วตาเนยกมือไหว้วอนให้ชาวบ้านส่งข่าวให้ลูกชายมาดูใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายด้วยพร้อมก็บอกว่าเวรกรรมที่เคยดูถูกดูแกลนเด็กลูกในหมอกเนี่ยมาตามมาสนองตัวเองแล้วในที่สุดนางแก้วตาก็สิ้นใจโดยลูกชายคนเล็กนี่มาทันดูใจแม่เป็นครั้งสุดท้าย แม่ก็เลยเอ่ยปากยกร้านขายของที่มีอยู่เนี่ยอ่าเพิ่มใหอีกหลังนึงแต่หลังงานศพแม่ไม่นานเขาก็ประกาศขายขายทั้งที่ทั้งบ้านแล้วก็สวนอ่าเสร็จแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นส่วนลูกชายคนโตก็ขายสมบัติเหมือนกันในที่ได้ไม่มีใครกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านนั้นอีกท่านผู้ฟังนี่เขาเรียกโกงกรรมโกงเวียนการล่วงเกินคนอื่นได้วาจา ย, ยัางทรงผลถึงขนาดนี้อานายเสวิกนี่ล่วงเกินคนอื่นด้วไกาย ก็ได้รับผลกรรมที่หนักหนาสาหัสเช่นเดียวกันต้องชดใช้ผลกรรมด้วยชีวิตกรรมสองข้อเนี่ยเป็นเพียงกรรมที่ขาดศีลห้าของคารวะเท่านั้นศีลห้าข้อเนี่รักษาไม่ได้เนี่ยส่งผลเึงเพียงนี้พุทธศาสนกชนทั้งหลายท่านคิดดูเอาเองนะครับมาเรื่องของป่ากอีกเรื่องท่านผู้ฟังเรื่องของคนชอบนินทาอวดดีอวดเก่งยกตนข่มท่านป้าเสา ป้าเสานี่เป็นคนมีรูปร่างสูงใหญ่บึกบึนยังกับผู้ชายนิสัยโมทะลุดุดันเอาใจใจตัวเองใครพูดอะไรก็ไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆพูดจาเสียงดังแกมีสามีเป็นคนมาจากถิ่นอื่นแต่ว่าสามีเป็นคนนิสัยซื่อใจเย็นไม่ค่อยพูดคุยจ้ า, จาทั้งคู่ก็อยู่ร่วมกันมาสามปีแล้วแต่ไม่มีลูกด้วยกันถ้าเปรียบเทียบนิสัยเนี่ยป้าสาเปรียบเหมือนไฟส่วนสามีแกเหมือนน้า ทางนี้ก็เพราะว่าสามีแกเคยบวชพระมาหลายปีแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเดินธุดงค์มาแล้วห้าหปีต่อมาก็สึกออกมาแต่งงานอยู่กินกับป้าสาวป้าสาวเป็นคนไม่ค่อยเชื่อบาปบุญถึงแม้ว่าสามีจะบอกกล่าวสั่งสอนอยังไงแกก็ไม่ยอมเชื่อฟังไม่เคยทําบุญสุนทานไม่เคยเข้าวัดทําบุญแกจะเข้าวัดได้ก็ต่อเมื่อไปหาไรายได้เช่นแอบไปเก็บมะพร้าวมะม่วงของวัดไปหาหน่อไม้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตบอกกล่าวแกทางวัดแต่อย่างใด ถ้าพระเนนหรือว่าทายกมาว่ากล่าวแก่ก็จะเถียงอทุกคนก็ไม่ค่อยจะถือสาหาความมาแก่ป้าสาวก็ยังเที่ยวกล่าวหาว่าพระเนนที่วัดนี่ยขี้เหนียวไม่รู้จักให้ทานแบ่งปันญาติโยมสับ้างไม่เพียงแต่เท่านั้นป้าสาวยังเที่ยวไปนินทาว่าพระเนนที่วัดไม่ทํางานทําการอะไรตื่นขึ้นมาก็เที่ยวขอทานบิณฑบาตให้ญาติโยมเอาข้าวปลาอาหารมาส่งดีตะกินแล้วก็นอนก็เที่ยวไปพูดไปนินทายชาวบ้านฟัง นอกจากนี้แกยังไม่ลงรอยกับเพื่อนบ้านบางคนเพื่อนบ้านเว้ยญาติพี่น้องยิบยืมอะไรแกก็ไม่เคยให้แต่ถ้ามาถึงข่าวจําเป็นแกจะไปยืมเงินญาติพี่น้องเพราเขาไม่ให้แกก็จะไปโพนธนาว่าเขาใจดำไม่เห็นแกพี่แกน้องหาเรื่องอย่างอื่นมาว่ามานินทาแต่ถ้ายืมได้แล้วก็ไม่เอาไปคืนครับอ่าเขามาทวงก็ไม่ยอมให้แล้วก็ยังบอกอ่ะกูไม่ตายง่ายๆ่ยอะ่ะบางครั้งก็เกิดทะเลาะวิวาทขึ้นขึ้นกับเพื่อนบ้าน เมื่อชาวบ้านไปให้ผู้ใหญ่บ้านตัดสินความก็มักจะสู้แกไม่ได้เพราะแกพูดเก่งเสียงดังจนชาวบ้านเกลียดชังเบื่อหน่ายป้าสาวจะมีพี่ชายคนนึงบวชอยู่ที่วัดชื่อหลวงตาเบา้าท่านเป็นเจ้าอาวาส ด, ด้วยหลวงตาเบ้าเนี่ยเป็นคนขยันปลูกพืชผักเอาไว้ที่วัดมีตําลึงบวชฟักแหวงปักทองโดยทําร้านให้พืชเหล่านั้นขึ้นแล้วก็ทำป้ายเขียนชื่อบอกว่าอพระเบ้าเป็นเจ้าของและรักษา ไว้อย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นของของวัดไม่ใช่ของเจ้าวบ้านเมื่อถึงหน้าฝนพืชผักที่ปลูกไว้ก็ขึ้นดานเต็มไปหมดงอ ง, งามดีมีชาบ้านก็ไปขอซื้อท่านอยู่บ่อยๆเดือนเดือนหนึ่งก็มีรายได้ไม่ใช่น้อยท่านก็เอาเข้าวัดครั้งหนึ่งป้าสาวไปขอซื้อยอดตําลึงและลูกบวบหลวงตาเบ้าก็ให้เนนเก็บมาขายให้ตามราคาเหมือนกับขายพวกชาบ้านทั่วไปป้าสาไม่พอใจ แกบอกว่าแกเป็นน้องสาวแท้ๆทำไมต้องซื้อขาอยเมื่อคนอื่นด้วยต่อมาแกก็มาซื้อผักกระเนนอีกแกออกปากขอเก็บเองวันนั้นแกซื้อผักแค่ห้าบาทเก็บไปหอบไบปร่เอ้ยเลยเนนก็ไปบอกอหลวงตาเบ้าว่าป้าสาวขอเก็บผักเอาเองหลวงตัวตาเบ้าให้เนนไปบอกถ้าซื้อนี่ห้ามเก็บเอาเองป้าสาวยิ่งไม่พอใจมาก ปนินทากระพวกชาวบ้านหลวงตเบาเบ้าบ้าไม่รู้จักพี่จากน้องมัวเมาเอาแต่ได้อย่างเดียวพระอะไรไม่มีเมตตาอารีชาวบ้านบางคนก็เชื่ อ, อวันหนึ่งป้าสาวแกไปวัดตอนที่หลวงตาเบ้ากับเพื่อนพระไม่อยู่ไปสวดมนต์เย็นภายในวัดก็เหลือแต่สามเณรสองรูปอยู่เ้าวัดพอป้าสาวไปถึงก็ไปบอกกับสามเณรว่าแกขอกับหลวงตาเบ้าแล้ว จากนั้นก็เอาตะกร้าไปไว้ใกล้ๆกับร้านพืชผักแล้วก็นั่งย่องๆเก็บยอดผักเก็บทั้งผักและผละไม้อะไรแต่อะไรไม่รู้เต็มตะกร้าไปหมดความจริงแล้วแกไม่ได้พูดจริงอะแกะโกหกหวังเพแก้แคลนหลวงตาเบ้าพี่ชายตัวเองพอหลวงตาเบ้ากลับมาสามเณรก็แจ้งให้หลวงตาเบ้าทราบหลวงตารู้ก็โกรธจัดได้แต่บ่นว่านอกจากมันจะชอบไปนินทานท่านแล้วยังมาทําตัวเป็นหัวขโมยอีก ท่านก็บอกกับสั ม, มนเนรสั่งความว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่าให้มันเข้ามาในวัดอีกว่าท่านไม่ชอบน้ำหน้าคนบาปปลากอ่าปากปลาร้ า, าไม่รู้จักบาปจป ก, กรรมวันหนึ่งเป็นวันพระตรงวันขึ้นสิบ้าค่ำตอนเย็นๆพระภิกษุสัมมนเนรทุกรูปเดินเข้าไปในอุโบสถเพื่อจะไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ประชุมต่อจนถึงสองทุ่มถงได้แล้วเสร็จในขณะที่พวกพระภิกษุสั ม, มนเนรเข้าไปไหว้พระสวดมนต์พระสาวก็ลักลอบเข้าไปในวัด เก็บเอาผลบวกฟักแฟงฟักทองจนเต็มตะกล้าก็ใช้มีดขบขูดชื่อหลวงตาเบ้าออกอแกลบเฉพาะสระเอข้างหน้าเท่านั้นที่เขาเขียนว่าสวนผักนี้พระเบ้าเป็นผู้รักษามันก็กลายเป็นพอไม่มีสระเอก็กลายเป็นว่าสวนผักนี้ พระบ้าเป็นผู้รักษาะตอนเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากหลวงตาเบ้ากลับมาจากบินธบัตก็เดินไปดูร้านปลูกพืชผักพอเห็นป้ายก็โกรธหันไปมองตำรวจดูพืชผักต่างๆก็หายไปก็สงสัยว่ามันเป็นฝีมือใครทั้งก็ตีะระฆังส่งสัญญาณในพระภิกษุสามนเณรในวัดทุกรูปมาประชุมกันในอุโบสถให้หมดหลวงตาเบ้าก็ซักถามพระภิกษุสามนเณรถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าเป็นฝีมือของใคร พระบิณฑษุสั ม, มนเนนทุกรูปก็บอกไม่รู้ท่านก็ให้สัมมนเนนไปเรียกเด็กวัดอีกสองคนมาไต่ถามเอาความเด็กวัดคนหนึ่งก็บอกว่าเออผมผมเห็นโยมป้าสาวแกหาบตะ ก, กล้ามาเก็บเอาไปครับผมเข้าใจว่าแกขอหลวงหลวงตาแล้วโอ้เด็กที่แท้ฝีมือนางสาวแล้วเหรอหลุงตา บ, บ้าวแกก็โกรธใหญ่สามเดือนต่อมาป้าสาวแกเกิดตั้งครรภ์พอถึงกําหนดคลอดแกคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงปรากฏว่าปากแหวง่ง ่าพอลูกอายุได้ห้าขวบป้าสาวเกิดเป็นโรคประหลาดคือแกมีอาการคันที่ปากด้านขวาแล้วก็พองโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแกรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานมากนั่นเป็นสาเหตุเริ่มต้นของโรคมะเร็งรายที่ปากปะาสาวกินข้าวปลาไม่ได้ตามปกติเพราะริมฝีปากบวมเป่งยังกับกำปัน้นแกทรมานอยู่ได้ปีกับอีกหกเดือนก็ตายก่อนที่แกจะตายแกก็บอกขอยอมแล้วโอ้ย ยอมแล้วจำแล้วจำแล้วต่อไปนี้จะจำแล้วก็ชักดิ้นชักงอจนขาดใจตายนี่เป็นผลกรรมชั่วของคนที่ชอบนินทาคนอื่นหรือว่าใช้ปากไปประทุษร้ายผู้อื่นซึ่งมันไม่ใช่เป็นความจริงบาปกรรมก็ตามสนองจนเห็นผลทันตาอย่างนี้แหละครับ ฟังเรื่องร้อนๆมาหลายเรื่องแล้วทีนี้ฟังเรื่องเย็นๆมั้งแต่เป็นเรื่องเย็นๆที่น่ากลัวท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคุณพิสมัยเมื่อปี2525 25. คุณพิสมัยกับสามีนี่รับราชการเป็นอาจารย์สอนอยูอ่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับ สถาบันแห่งนี้นอกจากจะเปิดสอนนักศึกษาตามปกติแล้วยังเปิดสอนผู้ที่มีอาชีพแล้วให้มีโอกาสที่จะได้ปริญญาอีกด้วยในบรรดาผู้ที่มาเรียนนี้ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างอ้วนเตี้ยตัวดำหน้าตาขีเรชื่อวัชยาก็พยายามมาสนิทสนมกับสามีของคุณพิสมัย เมื่อเห็นพฤติการในตอนแรกๆคุณพิสมัยก็ไม่สนใจเพราะว่าเห็นแล้วว่าเขาเทียบกับแกไม่ได้เลยในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความรู้และฐานะแต่ต่อมาเมื่อมีผู้หวังดีมาพูดให้ฟังบ่อยเข้าบ่อยเข้าคุณพิสมัยก็เริ่มสนใจก็เคยเห็นวัชยานี่ให้น้ำหอมแกสามีของแกขวดหนึ่งแล้วสามีก็ใช้น้ำหอมขวดนั้นเป็นประจำ ตั้งแต่นั้นมาคุณพิสมัยและสามีก็มักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำซึ่งสาเหตุก็มักจะมาจากวัชยาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าสามีนี่พูดเทดิดทูลหล่อนเหลือเกินพูดพลาดพิงถึงในทางไม่ดีไม่ได้เขาจะเป็นเดือดเป็นแค้นออกรับแทนทุกครั้งแล้วก็ยกย่องสารเสรวนวัชยาว่าน่ารักบริสุทธิ์ไร้เดียงสาทั้งที่สารรูปที่แท้จริงยังมีลูกมาแล้วสักครึ่งโหล เวลาเลิกเรียนมีคนมาบอกคุณพิสมัยว่าเห็นสามีขับรถไปส่งวัชยาทุกวันถ้าวันไหนไม่ไปเนี่ยหล่อนจะมายืนเนี่เขาเห็นที่หน้าบ้านนะพอสามีเห็นเขาก็จะลนลานขับรถออกจากบ้านไปโดยไม่ฟังคําทักท้วงจากคุณพิสมัยเลยแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังปากแข็งเขาก็ยังพูดอยู่ทุกวันนี้บอกไม่มีอะไรการไม่มีอะไรกรันวา ง, งั้นวันหนึ่ง คุณพิสมัยกับสามีก็เดินคู่กันไปที่ตึกเรียนแล้วก็ได้สวนกับผู้หญิงคนนั้นสามีก็พูดกับคุณพิสมัยบอกอ่าพูดเบาๆบอกว่าเธอน่จะลดตัวไปเทียบกับเขาทําไมคุณพิสมัยก็หัวเราะแล้วก็แกล้งพูดดังๆเพื่อให้วัชยาได้ยินมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วละ่ะมันคนละชั้นกันเสร็จแล้วคุณพิสมัยก็มองจ้องวัชยาตรงๆอ่า วัชยาก็เหลือบสายตามองคุณพิสมัยอย่างประสงค์ร้ายดวงตาของหล่อนในลุกวาวยังตางูไรเวลาโกรธนะคุณพิสมัยเห็นแล้วยังสะดุ้งหลังจากนั้นอีกสองสามวันก็มีเพื่อนร่วมห้องของวัชยาเนี่ยมาเตือนคุณพิสมัยว่าให้ระวังตัวให้ดีเพราะว่าคุณพิสมัยเนี่ยไปทําให้วัชย์ยาโกรธ เธอมีปู่ที่เป็นหมอผีชํานาญทางคมภีไสยศาสตร์มากแล้วก็เคยทําร้ายคนมาหลายรายแล้วที่รู้ก็เพราะว่าตัววัชยาเองนเป็นคนเล่าให้ฟังคนที่มาบอกอาจารย์พิสมัยนี่ก็แสดงความห่วงใยคุณพิสมัยมากในตอนนั้นคุณพิสมัยเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้หรอกจาได้ว่าหัวเราะสยกใหญ่เพราะว่าเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่เรื่องไสยศาสตร์มลดําอะไรนี้จะมีอยู่ในโลกนี้ แกไม่เคยกลัวเลยแกก็ถือว่าเป็นสิทธตถาคตคนหนึ่งเหมือนกันได้ถือศีลปฏิบัติธรรมาตลอดพระก็ไม่แขวนน่ะก็บอกอะใครๆพระอยู่ในใจแล้วอ่ะไม่ต้องแขวนพระหรอกพระได้อยู่ในใจไม่มีสิ่งใดจะมาพรากพระที่อยู่ในใจของแกไปได้ในภาคเรียนที่สองของปีนั้นปรากฏว่าอาจารย์พิสมัยนี่โชคดีสอบชิงทุนได้ไปทำล็อกเตอร์ที่ออสเตรเลีย เป็นเวลาห้าปีสามีก็ดีใจมากอ่เขาก็บอกกับคุณพิสมัยแล้วก็ใครๆว่าให้คุณพิสมัยไปก่อนแล้วเขาจะพยายามตามไปทีหลังในระหว่างที่คุณพิสมัยกําลังเตรียมตัวเตรียมข้าวของเพื่อจะเดินทางนั้นวันหนึ่งแกก็รู้สึกอ่อนเพลีย ม, มากก็เข้านอนในตอนบ่ายและตั้งแต่นั้นมาแกก็ลุกขึ้นไม่ได้อีกเลยแกนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลย ร่างกายผายผอมลงอย่างรวดเร็วกินอะไรก็ไม่ได้อ่าผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตาดํานี่กลายเป็นสีน้ําข้าวนั้นตาคนแก่ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายในระหว่างนี้ก็มีผู้คนมาเยี่ยมมากมายเพราะรู้สึกว่าสงสัยจะเป็นวาระสุดท้ายของคุณพิสมัยแล้วแต่แปลกแกบอกว่าไม่เคยคิดถึงความตายเลยจิตยังแจ่มใสนอนภาวานาสัมมาอราหังบัง้งพุทโธบ้างยุบหน่อพองหน อ, อ, หน อ, หนอบ้าง ตามแต่จะนึกอยากภาวนาของสำนักไหนเพราะว่าร่ำเรียนมาหลายสำนักแล้วเกินในจำนวนคนที่มาเยี่ยมนี้วัชยาก็มาเยี่ยมคุณพิสมัยด้วยลลอนหลบอยู่ในกลุ่มเพื่อนแอบหลังเพื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เข้ามาไหว้หรือว่าทักทายแต่ประการใดน่าแปลกที่แพทย์ไม่สามารถหาสมุทฐานของโรคได้เมื่อตรวจร่างกายแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติแพทย์ก็ลงความเห็นว่าคุณพิสมัยเป็นโรคประสาท ที่คิดว่าตัวเองป่วยแต่ความจริงไม่ได้เป็นอะไรพี่สาวคุณพิสมัยมาเยี่ยมเห็นท่ามาได้การก็ย้ายย้ายคุณพิสมัยไปอยู่โรงพยาบาลในกรุงเทพที่นี่เองก็ทำให้คุณพิสมัยได้ทราบว่าที่โรงพยาบาลเก่าเนี่ยเขาหาว่าแกเป็นโรคประสาทที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ก็แจ้งให้คุณพิสมัยทราบว่าป่วยเป็นโรค SLE คือเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลแห่งใหม่วันหนึ่ง คุณพิสมัยกำลังเคลิมแต่ว่ายังไม่หลับเพราะยังรู้ตัวอยู่ยังได้ยินเสียงคุณแม่ที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงอ่านหนังสือพิมพ์ดังกรอบแกรบร บ, รบปรากฏว่าคุณพิสมัยเห็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งผมขาวเกล้าเป็นมวยไม่ใส่เสื้อสวมรูปประคำเม็ดใหญ่สีดำนุ่งผ้าจงกระเบนสีขาวกำลังใช้หางกระเบนนิ้วาดเด็กผมจกอยู่ตีที่ขาใหญ่เลย หน่าแปลกที่ว่าเมื่อใดที่ผู้เท่าฟ้าถางกระเบนลงไปคุณพิสมัยจะรู้สึกเจ็บปวดรั่วราวเหมือนกถูกทิ่มแทงด้วยของแหลมมันปวดราวไปถึงกระดูกแกก็นอนน้ําตาไหลพรากมันเจ็บจนไม่สามารถขยับเพรื่อร่างกายได้ก็ร้องออกมาบอกยาตียาตีตีฉันทําไมคุณแม่ที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างเตียงวชงโงกหน้ามาถามว่าเป็นอะไรอลูกแกก็ลืมตาขึ้นน้ําตายังเปียกหมอนแต่ก็บอกคุณแม่ว่าไม่ได้เป็นอะไร ตั้งแต่วันนั้นมาคุณพิสมัยก็รู้สึกเจ็บระบมไปทั้งร่างกายปวดกระดูกจนทนไม่ได้ใครถูกต้องตัวไม่ได้ใครมาชนถูกเตียงที่นอนยังไม่ได้เลยมันเจ็บไปทุกขุมขนแต่หมอก็อธิบายว่ามันเป็นอาการของโรคต่อมาหมอก็นำคุณพิสมัยไปเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ปรากฏว่าพบว่ามีก้อนอะไรดำๆอยู่ในช่องท้องใกล้ๆกับโคนขา คุณพิสมัยก็ได้เห็นภาพนั้นในจอมอนิเตอร์ด้วยเป็นภาพโครงกระดูกของแกเองเห็นตรงช่องท้องมีก้อนดำๆขนาดเท่ากำมืออยู่ด้วยทุกคนดีใจที่ได้พบสาเหตุของโรคแล้วก็คาดว่าคงจะรักษาให้หายได้ในเร็วๆนี้เสร็จแล้วหมอจัดการตรวจในช่องท้องอย่างละเอียดโดยใช้เครื่องอุลตราซาว์ปรากฏว่าคราวนี้ไม่พบอะไรเลย หลังจากนั้นคุณพิสมัยก็รู้สึกปวดขามากโดยเฉพาะตรงโคนขาซึ่งเป็นข้อต่อระหว่างกระดูกขากับสะโพกในช่วงนี้เป็นตอนที่แกต้องทนทุกขเวทนากมมาปวดกระดูกร้าวไปทั้งขาโดยเฉพาะตรงโคนขามันปวดเหมือ น, นกับมีตัวอะไรมาแทะกระดูกอยู่บริเวณที่ปวดจะบวมแดงแล้วก็ร้อนจัดในตอนนั้นคุณพิสมัยไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าตัวเองคงจะเคยทำกรรมอะไรไวในชาติก่อนมาชาตินี้ถึงต้องเป็นโรคทรมานอย่างนี้ ก็ได้แต่ขออำนาจคุณพรศะศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแก่ก็นอนทำสมาธิทุกวันจนสามารถกำหนดรู้ลดของความเจ็บปวดว่ามันไม่ได้ปวดอยู่ตลอดเวลามันปวดเป็นพักๆค่อยๆปวดขึ้นปวดขึ้นเมื่อปวดจนถึงที่สุดแล้วมันก็ลดลงแล้วก็ปวดอีกเป็นอย่างนี้เรื่อยไปแกก็ได้คิดในใจว่าทั้งหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ขอให้แกเนี่ยตายไปอย่างสงบเถอะ แกไม่เสียดายชีวิตเพียงแต่เสียดายที่ยังทํากุศลได้ไม่จุใจเท่านั้นเองแกก็นอนทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนในที่สุดหมอก็ตัดสินใจผ่าตัดขาข้างที่ปวดเมื่อผ่าเข้าไปหมอถึงกับพงังอะเพราะว่ากระดูกส่วนนั้นมันปนเป็นผุยผงแหลกละเอียดเน่าอยู่โคนขาหมอพูดกับคุณพิสมัยภายหลังบอกว่าคุณทนอยู่ได้ยังไงโอ้ คุณคงทรมานมากเพราะว่าเป็นขนาดนี้คนธรรมดายอมจะทนพิษความเจ็บปวดไม่ได้แล้วกระดูกมันปนมันแตกเหมือนกับโดนใครตีเมื่อตัดกระดูกที่เน่าออกไปแล้วขาของคุณที่สมัยก็พิการขาแกว่งหมุนได้โดยรอบเลยไม่สามารถบังคับขาของตัวได้ก็เดินไม่ได้ต้องใช้มายันรักแร้สองข้างหมอบอกว่าต้องอยู่ในสภาพนี้ไปประมาณหนึ่งปี จึงจะสามารถผ่าตัดใหม่เพื่อใส่กระดูกเทียมต่อกระดูกให้ติดกันแกก็เลยต้องตกอยู่ในสภาพของคนพิการอย่างแท้จริงตลอดเวลาหนึ่งปีในช่วงนั้นแกไม่อยากปรากฏกายให้ใครเห็นเลยไม่อยากสบตากับใครเพราะว่าไม่อยากเห็นแววตาที่บอกความสมเพศในตัวแกอย่างเปิดเผยหน้าแปลกที่สายตาทุกคู่ที่มองแกมันเปล่งแววเหมือนกันหมดกรรมของคุณพิสมัยยังไม่หมดในช่วงหนึ่งปีที่พิการนี้เอง ก็มีคนพยายามทำกรรมกระแก่ต่อไปคนคนนั้นก็คือผู้บังคับบัญชาของแกเองชื่อพอ อ, อพดุงมาพูดกับคุณพิสมัยพูดอยู่เรื่อยๆบอกว่าทำงานไม่ได้ก็ออกๆไว้เถะจะมานอนกินเงินเดือนฟรีๆอยู่ได้อย่างไงในตอนนั้นคุณพิสมัยก็ทุกข์เหลือเกินแล้วเจ็บป่วยจนพิการแล้วยังจะต้องถูกออกจากงานอีกเงินทองที่มีอยู่ก็ถูกนามาใช้จ่ายรักษาตัวจนหมด แล้วถ้าถูกออกจากงานแล้วแกจะทำยังไงแกก็ไปอ้อนวอนผู้บังคับบัญชาขอให้จัดชั่วโมงสอนให้แกเท่ากับคนสอนคนอื่นๆตามปกติแกจะกลับไปสอนแล้วท่านผู้ฟังลองนึกถึงสภาพของคุณพิสมัยที่กลายเป็นผู้หญิงร่างอ้วนฉุหน้าบวมเป่งผมร่วงจนเหลือหรอมแหลมขาพิการข้างหนึ่งต้องใช้ไม้ค้ำยัน คนที่เคยรู้จักกันก็แอบพูดกันข้างหลังว่าเหมือนนางพิกุณทองถูกสาปไม่มีผิดเลยจะทรงกายก็ยังไม่ไหวนี่ต้องมายืนตะโกนสอนหนังสืออยู่หน้าชั้นเรียนคาบละสองชั่วโมงแต่ว่าแกก็ต้องทำเพราะไม่มีทางเลือกแม้ว่าบางครั้งขณะที่พูดไปพูดไปตาของแกจะพร่าจนมองอะไรไม่เห็นบางครั้งสติก็ดับพูดลงไปเฉยๆแกก็ต้องยืนนิ่งพยายามรวบรวมสมาธิจิต จนสามารถเป็นปกติได้นะแกก็บอกว่าผู้ที่แกรทราบซึ่งน้ำใจในตอนนั้นก็มีแต่สามีแล้วก็เพื่อนชื่อกุลวดีทั้งคู่ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวเพื่อแบกภาระต่างๆแทนแกเหตุการณ์ทําท่าจะดีขึ้นตอนที่แกไปสอนหนังสือแต่มันก็ได้เป็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอสิ้นปีปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาของแกคนนี้เสนอเรื่องไปกรมกล่าวหาว่าขาสอนไปปีหนึ่ง สมควรจะให้ออกจากราชการทางกรมได้พิจารณาเรื่องนี้อยู่นานแล้วในที่สุดก็ลงเอ่ยว่าแกไม่ต้องออกจากราชการถ้าสอนไม่ได้ก็ให้ไปทำงานอื่นต่อไปเมื่อครบปีคุณพิสมัยได้รับการผ่าตัดต่อกระดูกใหม่คราวนี้หลังจากพักฟื้นได้เดือนหนึ่งแกก็สามารถเดินเหินได้คล่องแคล่วร่างกายที่เคยอ้วนฉุ ก, ก็่าผอมลงอ่า ผมที่ร่วงก็ขึ้นใหม่ดกดําสวยงามว่าเกา่าลูกตาดําที่เป็นสีน้ําข้าวตอนนี้ดําขรับเป็นประกายทีเดียวทั้งนี้ก็เพราะว่าแกทําใจให้สงบบริสุทธิ์สว่างแล้วก็สะอาดตื่นแต่เช้าตรูขึ้นมาก่อประกอบอาหารใส่บาตด้ยวยตัวเองทุกเชา้าพร้อมทั้งแผ่ส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าด้วยวิธีนี้แกรู้สึกว่ามีชีวิตดีขึ้นมากทันตาเห็นแล้วก็ประสบจะสิ่งที่ดีงามตลอดมาวันหนึ่ง อตอนที่คุณพิสมัยไปซื้อของที่ตลาดก็ไปพบลูกศิษย์ที่เคยสอนกลุ่มหนึ่งทุกคนก็เข้ามาทักทายกันอย่างดีอกดีใจว่าโอ้ยอาจารย์อาจารย์หายแล้วอ่ะอาจารย์สวยกว่าเดิมอีกในจำนวนนี้มีศิษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้ทักแก่เลยหล่นยืนนิ่งดวงตาเบิกโพรงแล้วอ้าปากค้างก็วัชยานั่นแหล ะ, ะเวลาล่วงเลยมาจนถึงกลางปีสองพันหรอยยี่สิบแปด สิ่งที่ไม่คาดวันก็เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาของคุณพิสมัยที่ว่าชื่ออพ อ, อพดุงเนะี่ความจริงเขาเป็นนักกีฬามีร่างกายแข็งแรงแกลม้มลงขณะสอนอยู่หน้าชั้นเรียนแล้วก็เป็นอมาพาดไปครึ่งซี่ดวงตาก็มืดสนิทไปข้างหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำงานเกือบสองปีแล้วก็มีอาการเหมือนกับคุณพิสมัยในอดีตคนอนอยู่กับบ้านพอถึงเดือนก็ให้คนพยุงมารับนเดือน ทุกคนก็พยายามหางานเล็กๆน้อยๆให้แก่ทำเบื่อไม่ให้แก่คิดพุ่งสั้นแกก็โกรธแค้นตีโพยตีภายว่าแกป่วยขนาดนี้แล้วยังซ้ำเติมแกอีกแกคงลืมสนิทว่าแกเคยทำกับคุณพิสมัยไว้ยังไงอะเพราะคุณพิสมัยไปเยี่ยมแกก็ร้องไห้รำพันคุณหายแล้ววะคุณหายแล้วผมที่ไม่มีวันหายแกคุณพิสมัยก็พยายามปลอบใจแนะนําให้แกทำใจให้สงบให้คิดลงเสียอย่าไปยินดียินร้ายกับสังขารที่เสียไป ยังมีชีวิตอยู่ให้ได้สร้างบุญก็ดีแล้วแต่แกก็กลับคร่ำครวญมันทำไม่ได้อะทำไมร่างกายผมไม่กลับคืนเป็นปกติทำไมตาถึงมองไม่เห็นถึงตอนนั้นคุณพิสมัยก็เกิดความรู้ใหม่อีกอย่างว่าตัวพอ อ, อนีป่วยทั้งกายทั้งใจโรคไม่มีวันหายแน่ส่วนคุณพิสมัยนะ่ะป่วยแต่กายใจไม่ได้ป่วยก็เลยมีโอกาสหายได้เสร็จแล้วต่อมาไม่นาน ขณะที่คุณพิสมัยกำลังนั่งทำงานอยู่ว่ามีนักศึกษาเก่าคนหนึ่งมาขอทรานสคริปเป็นภาษาอังกฤษ <spe ak> เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศเธอก็มองคุณพิสมัยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกอาจารย์อาจารย์ยังจำคุณวัชยาได้หรือเปล่าเมื่อวานเนี้ยเขาหกล้มในห้องน้ำแล้วเป็นอมัมพาตเดินไม่ได้พูดไม่ได้นอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ที่โรงพยาบาลแนนะ่อาจารย์ครับ เวนกรรมมีจริงท่านผู้ฟังวันหนึ่งต้องตอบสนองผู้ประพฤติกรรมนั้นอย่างแน่นอนครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับนัดทิดกำ ม, มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมจยด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 ที่เคยไปบําเพ็ญเพียรอยู่ที่ภูรังกามาแล้วก็คือหลวงปู่เสากันตะศิโลหลวงปู่สิมพุทธาจาโรโครูบาวังทิติสาโรพระอาจารย์สมชายเขาสุกิมพระอาจารย์ชาวัดหนองป่าพงพระอาจารย์โงนโสระโยแล้วก็ยังมีรูปอื่นๆ อ, อ, อ, อีกเยอะครับตามตำนานพระเจ้าห้าพระองค์นั้นกล่าวว่า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 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในพัทธะกับนี้ยังมีความพิสดารแถมท้ายอีกว่ากาทั้งหลายไม่กล้าบินผ่านจะต้องถูกอำนาจอาถรรพ์ลึกลับที่ภูลังกาถ้าตัวไหนบินขึ้นไปเนี่ยจะเจอพายุใหญ่พัดพากาตัวนั้นให้เซธลาปลิวว่อนไปทางป่าเซกาคือเขตอำเภอเซกาในปัจจุบันว่ากันอย่างนั้น ภูหลังกาในอดีตเมื่อ50ปีก่อนโน้นเป็นดงหนาป่าทึบกว้างใหญ่ไพสารชุกชุมได้เสือสิงกระทิงแรกแล้วก็โขลงช้างเถืนแต่ในปัจจุบันนี้ป่าหายหมดแล้วกลายเป็นทุ่งโล่งรกรางแล้วก็ไรนาจะพอมีป่าเหลืออยู่ก็รอบๆภูหลังกาบ้างเล็กน้อยพอเป็นยากาศัยเท่านั้นเองอเห็นแล้วก็้าใจรอบๆภูลังกามีวัดป่าตั้งอยู่ประมาณสิบวัด มีทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุทธ์พระสงค์องค์เนนรูปไหนถ้าบกพร่องในศีลพระวินัยแล้วจะอยู่ได้ไม่นานต้องมีอันเป็นไปเพราะว่าพระภูมิหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางในแรงมากหลวงปู่ตองถ้ำชัยมงคลภูลังกาเล่าให้ฟังว่ามีพระทุดงทรงเครื่องคณะหนึ่งมาจากทางขอนแก่นขึ้นไปแสวงวิเวกอยู่บนภูลังกาใกล้กับถ้ำชัยมงคลเป็นพวกไม่รู้ประสรีระสา มีวิทยุทรานซิสเตอร์ไปด้วยเปิดเพลงเปิดเทปกันดังสนันสนุกสนานครองจีวอนก็ไม่มีสังขติเพราะไม่ได้เอาสังขติมาด้วยหลวงปู่ตองเห็นแล้วก็ได้แต่นึกในใจว่าพระผีบ้าพวกนี้ไม่ได้ฉันข้าวเช้าแน่ๆกรุ่งนี้แล้วก็เป็นจริงเสียงเพลงบมอลำมซิ่งจากเทปทรานซิสเตอร์ดังรันสนันวันวายอยู่พักนึงก็เงียบไปเปลี่ยนเป็นเสียงทะเลาะวิวาทกันไม่รู้ทะเลาะกันเรื่องอะไร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 เพราะว่าขืนพูดไปก็จะเป็นความผิดเข้าขายอวดอุตริมนุษยธรรมไปเห็นในสิ่งที่ชาวบ้านก็ไม่เห็นไปรู้ในสิ่งที่ชาวบ้านก็ไม่รู้จะถูกปรับเป็นอาบัตหลวงปู่ตองเนี่ยเป็นคนบ้านน้ําเที่ยงตําบลบ้านทรงอําเภอคําจีอีจังหวัดมุกดาหารเมื่อตอนที่เรียนหนังสือจบป .4 พ่อแม่ก็อพยพครอบครัวหนีความกันดารแห้งแล้งมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้านโนนสวนปอ อยู่ใกล้บึงโขงหลงเขตจังหวัดนองคายแล้วท่านก็บัพชาอุปสมบทเมื่อปี25งพยยีตอนนั้นอายุได้สี่สิบเจ็ดปีแล้วบวชเมื่อเข้าสู่วัยชราแล้วบวชที่วัดธรรมทูนุสรอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดนองคายหลวงปู่ตองท่านเล่าว่าความจริงท่านเลื่อมใสในสาศาสนามาตั้งแต่เป็นเด็กไปวิ่งเล่นในวัดแล้ว ครั้นเติบใหญ่ก็ไม่มีวาสนาได้บวชเพราะว่าฐานะยากจนต้องช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาหาเลี้ยงชีพแบบปากกัดตีนถีบอยู่ทั่วนาตาปีต้องประจนกับลูกธรรมต่างๆทั้งสุขทั้งทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะมีสุขก็เป็นสุขอย่างกแกลรแกล้งแห้งๆไปอย่างนั้นเองความทุกข์มันเป็นตัวยืนโรงทีเดียวเหมือนแผ่นดินเป็นที่ยืนที่เหยียบของคนเราถึงแม้จะหนีขึ้นต้นไม้หรือขึ้นไปอยู่บนบ้านมีความสุข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 พอตายลงไปนอนขึ้นอืดอยู่ในโลงก็ต้องเน่าเปื่อยและเทะเป็นปร า, าประเจ้าอะไรยังไงอย่างนั้นชีวิตคนเราเกิดมาด้วยล้วนหลงผิดอย่างที่พระาศาสนาได้กล่าวไว้ว่าการร้องเพลงนะดูไปแล้วก็เหมือนร้องไห้การพรานรำเต้นรําดูดเป็นอาการของคนบ้าเสียงหัวรเราะเฮฮาเห็นเงือกเห็นพั น, พนเป็นเหมือนอาการของเด็กทารกอมมือ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 ก็ปลอยให้ทำประพฤติผิดในพระวินัยไปด้วยพระเนนในวัดมั่วสมกันสนุกสนานมากกว่าที่จะปฏิบัติศาสน ก, กิจท่านก็ระลึกนึกถึงพระธุดงที่ไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ในป่าสแสวงหาความสงบเงียบมันเพ็ินเพียนจนได้พบกับความสุขในทางธรรมะท่านก็เลยอยากจะทําอย่างนั้นบ้างเพื่อจะหาทางหลีกหนีพระเนนในวัดที่ย่อหย่อนในธรรมวินยัยท่านเดินธุดงไปที่ภูลังกาอยู่ห่างจากวัดไม่ไกลเท่าไหร่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 หลวงปู่ตองก็ปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษถือคข่งในข้อวัดปฏิบัติทุดงสิบสามเหมือนพระป่าทุกประการนั่นก็คือกินน้อยนอนน้อยกินน้อยก็คืออดอาหารฉันแต่น้ำลูบทองเป็นการทดสอบกำลังใจตัวเองว่าจะมีความทรหดอดทนขนาดไหนจะสร้างขันติบรารมีได้ไหมกลัวจะเป็นลมตายเพราะอดข้าวหรือเปล่านอนน้อยก็คือจะนอนพักผ่อนเอาแต่เฉพาะ ตอนกลางคืนไม่นอนมากนอนเพียงคืนละสี่ชั่วโมงเท่านั้นเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปในการเดินจงกรมสร้างบิริยะความเพียรแล้วก็นั่งสมาธิสงบกายสงบจิตให้จิตได้พักพรเสบยปิติสุขในวิหารธรรมเมื่อนั่งสมาธิเสพสุขก็มักจะยึดติดเกิดความเกียจคร้านที่นี้ก็ต้องลุกขึ้นเดินจงกรมสร้างความบิริยะความเพียรขับไล่ความขี้เกียจ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 หลวงปู่ตองเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่าตอนนั้นประมาณสักทุ่มหนึ่งมืดสนิทอากาศเย็นกาลังสบายๆท่านกาลังเดินจงกรมอยู่ที่พลานหินบนภูลังกาเสียงมแมลงกลางคืนจั ก, กจัน่นแล้วก็อตัวแม่ไม้ลองในเนี่ยส่งเสียงร้อง ก, องก้องกังวานกันไปทั่วขุนเขาท่านก็แงนดูท้องฟ้ามืดตอนนั้นมีดวงดาวเกลื่อนกลาดเต็มท้องฟ้าไปหมด เป็นคืนที่น่าดูมากเบิกบานใจเสร็จแล้วเสียงจักระจันและแม่ไม้ลองในก็หยุดส่งเสียงกระทันหันหยุดปุ๊บเลยอะเกิดความเงียบสงัดอย่างแปลกประหลาดความมืดกว่าทวีมากยิ่งขึ้นเดินไม่เห็นทางจงกรมเอ๊ะทำไมมันมือดอย่างนี้วันนี้แงนมองฟ้าก็ยังเห็นดาวส่องแสงระยิบระยับไม่ได้มีเมฆฝนปิดบังไว้แต่อย่างใดขณะที่ท่านกําลังยืนงงๆอยู่นั้น ท่านก็เห็นแม่ชีนุ่งห่มสีขาวเดินเข้ามาหาทั้งหมดห้าคนนั่งคุกเข่าลงกราบแบบเบญจางคับประดิษฐ์ท่านก็รู้สึกแปลกใจที่มีแม่ชีบนภูลังกาในยามค่ำคืนก็ใจคอไม่ดีเลยเพราะไม่มีพระเนนหรือว่าลูกศิษย์อยู่ด้วยเลยกลัวจะบาปเป็นอบัตถูกตำหนิตีเตียนตอนนั้นก็ลืมคิดไปถนัดว่า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 แต่ว่าอยู่ไม่ได้ตอนนั้นหลวงพ่อตั้งสติและได้แล้วว่าขนลุกสู้ขึ้นมาเฉยๆความรู้สึกก็บอกว่าผีแน่ๆเป็นผีแม่จยยีแต่ว่าไม่กลัวเพียงแต่ขนลุกเท่านั้นเพียงแค่นึกรู้สึกขึ้นมาเท่านั้นเองเสรยจแล้วหัวหน้าแม่จีก็พูดชี้แจงพวกเราไม่ใช่ผีหรอกหลวงพ่ออย่าเข้าใจผิดพวกเราเป็นพรหมสมัยเป็นมนุษย์เป็นแม่จีสาเร็จฌานพรหมนะ่ไม่มีเพศหญิง พวกเราเพียงแต่แสดงร่างที่เคยเป็นแม่ชีให้ดูเท่านั้นเองผู้ลังกาเป็นแดนบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ดึกดำบรรหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่จะต้องฉันมังสวิรัต์ขอจะได้ฉันเนื้อสัตว์นะเจ้าคะหลวงพ่อก็พูดอะไรไม่ออกแต่จะยืนนิ่งจะว่าถูกสะกดจิตก็ไม่เชิงนึกอยากจะถามแต่ก็ไม่รู้จะถามอะไรในที่สุดแม่ชีลึกลับทั้งห้าคนนั้นก็ลาจากไป ทั้งการมาและการไปนี่สวยงามมากย่อตัวลงคุกเข่ากราบแบบเบญจงังคะประดิษฐ์ลอยตัวอยู่เหนือพื้นตอนเข้ามาหาแต่ตอนนี้จะถอยหลังออกไปสามก้าวแล้วนั่งคุกเข่าลงกราบลาตอนลุกขึ้นยืนคล้ายๆลอยตัวขึ้นสง่างามมากไม่เหมือนมนุษย์ลุกขึ้นตามปกติเมื่อแม่ชีทั้งห้าไปแล้วบรรยากาศอันเงียบงันอาถรรพ์ก็หายไปกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมจักจันเรไรก็เริ่มส่งเสียง กระแสลมที่หยุดนิ่งก็พัดมาชวยชื่นกลิ่นหอมดอกไม้ป่าก็มาอีกแล้วความมืดมิดก็หายไปคลายไปมองเห็นทางเดินจงกลมได้เหมือนเดิมหลวงปู่ตองท่านเป็นคนเชื่ออะไรยากไม่เชื่ออะไรง่ายๆชอบเถียงเรื่องผีสางเทวดาไม่มีจริงเพราะว่าตัวเองไม่เคยเห็นหาว่าคนโบราณแต่งเรื่องผีผีสางๆหลอกให้คนกลัวเพื่อที่จะได้ปกครองกันง่ายๆเท่านั้นแหละ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 ตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้นับได้สิบเจ็ดปีเขาให้แล้วการฉันอาหารมังสวิรัตก็ทำให้จิตสงบเร็วขึ้นการพิจารณาทำตามหลักไตรลักษณ์ก็ปลอดโปรง่งเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าแต่ก่อนการทดลองอดอาหารทรมานตันหาความอยากก็สามารถอดอาหารได้ถึงหนึ่งเดือนเต็มๆท่านเล่าถึงตอนนี้บอกว่าวันนั้นทั้งวันเขาสมาธิเงียบไม่ลุกขึ้นเลยจิตมันนิ่ง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 แต่ได้วความยำเกรงพระจานทร์วังซึ่งเป็นวิญญาณมาสั่งให้ไปอยู่ถ้ำชัยมงคลหลวงปู่ตองจึงจำใจเดินทางขึ้นไปภูลังกาทำการสำรวจถ้ำชัยมงคลก็ได้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าเจดีย์ธาตุบนยอดเขาภูลังกาที่บรรจุอถิธาตุของพระจานทร์วังนั้นได้ถูกพวกคนร้ายใจบาปทุบทำลายพังทลายลงมาเหลืออยู่เพียงฐานเจดีย์เท่านั้น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 ก็ยิงทำให้หลวงปู่ตองเกิดความเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งว่าโอ้หนอคนเราทำไมถึงได้ใจร้ายใจต่ำทรามถึงขนาดนี้กล้าทำลายปูชนียวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ในพระาศาสนาไม่เกรงกลัวบาปกลัวนรกมหาอเวจีหลวงปู่ตองได้บอกกับตัวเองบอกว่าถ้ำชัยมงคลก็ดีผูรังกาก็ดีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ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 เป็นเทพเจ้าชั้นสูงอยู่พรหมโลกมาวนเวียนอยู่ถ้ำชัยมงคลภูลังกาด้วยความห่วงใยดังนั้นหลวงปู่ตองจึงตัดสินใจมาอยู่ถ้ำชัยมงคลด้วยความเต็มใจเคารพเลื่อมใสในองค์อาจา ร, รย์วังอย่างสุดจิตสุดใจทีเดียวหลวงปู่โงนโสรโยท่านเคยเล่าเรื่องของพระอาจา ร, รย์วังให้ฟังว่าตอนที่พระอาจา ร, รย์วังมาอยู่ที่ถ้ำชัยมงคลภูลังกาใหม่ๆนั้นท่านก็ประสบเข้ากับความลึกลับของวิ ญ, ญญาณอย่างแปลกประหลาด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 พวกเทวดาและพรหมชอบพากันลงมาเยือนโลกเพราะได้เห็นสถานภาพที่แท้จริงของโลกมนุษย์มีสภาวะความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายที่เห็นได้ชัดเจนมากทำให้เกิดสลดสังเวชรู้แจ้งในธรรมได้ง่ายกว่าอยู่บนสวรรค์พระบนสวรรค์มีแต่ความสุขสารพัดอันเป็นทิพย์มอมเมาให้หลงเพลิดเพลินจึงยากที่จะปฏิบัติธรรมใหเห็นแจ้งในความทุกข์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 ยำพวกที่มีฤทธิ์เป็นผีปีศาจดุร้ายแสดงกายหลอกหลอนได้ต่างๆนานาสามารถทํำร้ายมนุษย์และสัตว์ได้นั้นมีฤทธิ์เดชได้ด้วยผลกรรมเขาเรียกว่ากรรมวิปากชารทิ์พวกโอปาติกะหรือว่าวิญญาณต่างๆที่มีบุญน้อยและเทวดาบางพวกที่มีบุญเยริศน้อยแต่ว่ามีเทวธรรมดีงามจะแสดงกายหยาบไม่ได้เลยแต่สามารถทํากลิ่นได้เป็นต้นว่าให้มีกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นทูบเทียงกลิ่นดอกไม้ กินอาหารและทำไม่เกิดเสียงต่างๆได้เช่นเสียงคว้างปา่าหลังคาบ้านเสียงพูดเสียงร้องไห้คำครวญเสียงหัวเราะเสียงลมพายุเป็นต้นแต่แสดงกายหยาบเป็นตัวตนไม่ได้พวกผีวิญญาณโอปติกะจำพวกนี้มีจํานวนมากที่สุดในโลกวิญญาณพรมทั้งสีได้กล่าวต่อไปอีกว่าภูลังการนะมีห้าลูกเป็นเทือกเขาบริเวณกว้างขวางหนาแน่นโดยต้นไม้ใหญ่น้อย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 เป็นอากาศธาตุไปทันทีพูดผีปีศาจทั้งหลายมีความกอายำเกรงพวกรับแลมากไม่กล้าต่อแยข่มเหงเบียดเบียนอะไรพระอาจารย์วังพอใจในคําตอบของพวกพรมก็ถามว่าที่มาในคืนเนี้ยมีกิจธุระอันใดเมื่อพระอาจารย์วังถามว่าที่มาในคืนนี้มีกิจธุระอันใดพรมทั้งสี่ก็ตอบว่า ถ้ำชัยมงคลที่พระอาจารย์วังมาอยู่ดีเป็นเขตของพวกพรมที่ลงมาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอจึงอยากให้พระอาจารย์วังเคร่งครัดในธรรมวินันอย่าล่วงเกินธรรมวินันเป็นอันขาดเพราะจะได้รับอันตรายจากพวกพญา น, นาคพวกลับแลหรือว่าบางบทและก็พวกยักษ์ที่รักษาป่าภูเขาเถื่อนถ้ำห้ามฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิดให้ฉันได้ก็แต่อาหารพรมหรือว่าอาหารมังสวิรัตคืออาหารเจ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 ก็คือพระครูอดุลธรรมพันธ์เนี่ยสมณเณรสุบันสมณเณรสายสมเณรอุไทยมีความว่าภูลังกาเป็นแดนอาถรรพ์เกี่ยวเนื่องผูกพันอยู่กับภพภูมิผีสางเทวดาสิ่งลี้ลับมีทั้งฝ่ายดีคือสัมมาทิฏฐิและฝ่ายชั่วคือมิจฉาทิฏฐิทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วจับตาดูพระสงฆ์องค์เนนอยู่ตลอดเวลาว่าจะประพฤติผิดศีลผิดวินัยข้อใดบ้างเรียกว่าเขาคอยจ้องจับผิด ถ้าพบว่าพระสงฆ์องค์เนรูปใดทําผิดเป็นอาบัตินี้เขาจะเล่นงานทันทีเป็นต้นว่าทําให้เจ็บไข้อาพาธอาจจะทําให้พิการหรือว่าตายก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้พระเนนทุกรูปรักษาะศีลทุกข้อให้เคร่งครัดสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมความคิดให้อยู่แต่ในทางบุญกุศลอย่านึกคิดชั่วชั่วลามกจ ก, กเปรตคึกขนองเป็นอันขาดหลังจากที่พระอาจารย์วางกล่าวตักเตือนแล้วไม่กี่วันก็ปรากฏว่ามีพวกงูจํานวนมากได้เลื้อยเพ่นผ่านอยู่ทั่วไป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 แผ่พังพานสายงูเงินแล้วก็พังกอกคำนับสามครั้งพระเนนและพ่อขาวมีความหวาดกลัวงูใหญ่คอแดงตัวนี้กันมากเพราะบางวันจะปรากฏตัวอยู่ที่พลานหินกว้างขวางทางเดินจงกรมกลางแจ้งแผ่พังพานโยกไปโยกมาคล้ายไ ร, ร่รำบูชาฟ้าดินใครที่เดินจงกรมอยู่ก็รีบแผ่นหนีลืมแผ่เมตตาตั้งสติไม่ทันเมื่อพระเนนเอาเรื่องนี้ไปบอกพระจารวางังท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลัว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 พอขาวได้ออกตามหาจนกระทั่งมืดค่ําก็ไม่พบร่องรอยพระอาจารย์วางนั่งสมาธิดูก็พบว่าบวรไปอยู่กับผู้หญิงชาวลับแหลอยู่กินเป็นผัวเมียกันเสียแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยบุพวาสนาเก่าบันดาลให้มาเจอกันเพราะว่าเป็นเนื้อกู่กันบ้านเมืองของชาวลับแลนั้นคล้ายเงาสะท้อนของบ้านเรือนมนุษย์ตามยุคสมัยในถิ่นนั้นตเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามกฎแห่งวิบากกรรม บ้านเมืองชาวรับแลที่ท่านเห็นในสมาธินั้นเป็นบ้านไต่ถุนสูงหลังคามุงหญ้าและแพรกฝาบ้านทําด้วยไม้ไผ่หรือว่าใบตองตึงขัดแต่พื้นบ้านก็ปูไม้กระดานหยาบๆแล้วก็ไม้ไผ่สักชาวบ้านรับแลผู้มีฐานะดีหรือว่าคุณธรรมสูงก็จะเป็นตึกบอกปูนหลังคามุงกระเบื้องบางหลังก็มุงด้วยไม้ส่วนฝาบ้านเป็นไม้ประดิษฐ์เป็นตารางสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมงามเรียบๆนะบ้านเมืองชาวรับแลบางบท ไม่มีคนยากจนไม่มีคนขอทานไม่มีโสเพณีทุกคนมีอยู่มีกินสมฐานะมีการทำไร่ไถนามีสัตว์เลี้ยงวัวควายเป็ดไก่หมูหมาแล้วก็วิหกนกกาเป็นสัตว์โอปติกะอบายภูมิตามกฎวิบากกรรมอันสลับซับซ้อนชาวรับแลมีคุณธรรมประจำมู่เหล่าคือถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดพูดปีพีศษ ท, ทั้งหลายรักษาศีลไม่ได้ทาให้ชาวรับแล เป็นผีพิเศษที่มีอำนาจเป็นที่ยำเกรงของพูดผีปีศาจทั้งหลายชาวรับแลที่เป็นนักพรตหรือว่าฤาษีจะนุ่งขาวผมขาวเกล้ า, าผมมวยเรียกตัวเองว่าคุรุฤาษีหรือว่าดาบดท์หัวหน้าชาวรับแลได้บอกกับพระจานทร์วังว่าเจ้าหนุ่มบวรเนี่ยมาอยู่เมืองรับแลถูกต้องตามจารีตประเพณีจะกลับออกไปไม่ได้จะต้องดำเนินชีวิตเหมือนชาวรับแลทุกอย่างหากทำผิดกฎจารีตประเพณีก็จะถูกขับไล่กลับเมืองมนุษย์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 จะซักถามอะไรก็ได้แต่จะพบตัวบวรไม่ได้พระอาจารย์วังได้เล่าเรื่องนี้ให้พระเนนฟังดังนั้นในวันต่อมาพระอาจารย์โงโนสุรโยกับพระเนนและพ่อขาวก็พากันไปพิสูจน์ออกไปยืนอยู่กลางแจ้งบนภูลังกาในเวลากลางวันร้องตะกูลเรียหาบาวรก็ปรากฏอัศจรรย์มีเสียงบวรตะโกนตอบมาจากดวงไม้ในหุบเขาเมื่อซักถามต่างๆบวรก็ตอบได้ถูกต้องชัดเจนว่าเป็นบวรจริงๆ ไม่ใช่คนอื่นแอบอ้างแต่ประการใดบรวรก็บอกว่าเขาอยู่สบายดีมีความสุขกับเมียสาวชาวรับแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวรับแลก็เหมือนบ้านเหมือนเมืองมนุษย์ทุกอย่างชาวรับแลไม่ใช่ผีแต่เป็นมนุษย์เผ่าหนึ่งที่หายตัวได้กำบังตาได้ทําให้มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ยกเว้นแต่ในกรณีที่ชาวรับแลอยากจะให้เราเห็นถึงจะเห็นได้บรวรก็บอกอีกว่าเขาพอใจที่จะอยู่เมืองรับแลไม่อยากกลับมาอยู่เมืองมนุษย์เลย ขออย่าได้เป็นห่วงเป็นใยใครได้มาอยู่เมืองรับแลแล้วก็ติดใจเพราะว่ามีความสุขกายสบายใจเป็นแดนทิพย์แดนสุขอะอธิบายไม่ได้อะมาเห็นเองถึงจะรู้ได้โดยตัวเองอยู่ต่อมาไม่นานก็มีหนุ่มมีคนชื่อสวัสดเป็นชาวอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยโสธรมานุ่งขาวห่วมขาวถือศีลแปดปฏิบัติธรรมอยู่กับพระอาจารย์วังสวัสด์นี่ถือแข่งในการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิเอาจิงจังมาก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 เมื่อปฏิบัติธรรมไปจนถึงที่สุดสวัสดิ์จะเป็นผู้สำเร็จคล้ายๆผู้สำเร็จปลอดหรือพวกวิทยาธรกินผลไม้เป็นอาหารหรือว่ากินลมกินปราณวาโยธาต์มีสภาพกึ่งมนุษย์เทวดาไปไหนมาไหนตัวเบาเดินเท้าไม่ติดดินเพียงแต่นึกอยากจะเหาะก็เหาะได้ทันทีด้วยอำนาจมหัศจรรย์ของฌานสมาบัติบางทีก็เรียกว่าสิธาโยคีเป็นโยคีมหัศจรรย์สาเร็จไกวันภูมิหรือว่าอภิญญาฤิ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 ผมจะพาท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้มีชื่อเสียงโด่งดังหลวงพ่อผางจิตตะคุตโตวัดอุดมของคาเคียรีเขตจังหวัดขอนแก่นท่านเป็นพระปฏิบัติเป็นศิษย์อีกรูปหนึ่งของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแม้ว่าท่านจะบวชแล้วก็บวชตอนนั้นอายุย่างเข้าสู่วัยกลางคนแล้วอายุสี่สิบปีแล้วแต่ท่านก็ทาความเพียรบาเพ็ญธรรมอย่างมุ่งมั่น จาริกไปตามป่าเขาทุดงเดี่ยวด้านด้นไปเพียงรูปเดียวท่านเที่ยวรุกขมูลไปทั่วแดนอีสานจนจะรดภาคเหนือถึงพมา่าจากพม่าก็ย้อนกลับมาสู่ภาคอีสานอีกปฏิปทาของท่านนี่เปี่ยมล้นด้วยเมตตารมอย่างยิ่งมีอยู่คราวหนึ่งระหว่างที่หลวงพ่อผางบําเพ็ญธรรมอยู่ในป่าทางภาคอีสานท่านนั่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่บนก้อนหินซึ่งมีพื้นผิวด้านบนราบเรียบแล้วก็สูงจากพื้นดินไม่มากนกะ ขณะที่จิตยังไม่ได้ดิ่งลงสู่ความสงบท่านก็สัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ไม่ห่างจากท่านเท่าไรท่านก็ลืมตาขึ้นดูปรากฏว่าที่อยู่เบื้องหน้าท่านคืองูจงอางขนาดใหญ่ลำตัวประมาณโคนแขนผู้ชายแล้วก็มีความยาวเกือบสองวางูจงอางเห็นพระภิกษุมานั่งขวางทางเนี่ยมันก็เลื้อยปราดเข้ามาหา พอได้ระยะก็ฉกกัดก็เหยียดลำตัวท่อนบนในชูสูงขึ้นแผ่ปังพานเตรียมที่จะสับหัวลงมาฉกหลวงพ่อผางท่านไม่ได้มีความตื่นตระหนกตกใจกลัวแม้แต่น้อยท่านก็นั่งมองมันนิ่งเฉยด้วยความเมตตาพิจารณากิริยาซึ่งเป็นท่าทีอันแสดงถึงความดุร้ายตามวิสัยอสรพิษท่านมีความรู้สึกกรุณาจงอางตัวนั้นก็ชูคอนิ่งแข็งขือ้อยู่กับที่นะ่ไม่ได้ขยับเยอนเคลื่อนไหวหรือว่าฉกหัวลงมาทำอันตรายท่าน หลวงพ่อผางก็สังเกตเห็นงูจงอางนิ่งยังรูปปั้นเป็นเวลานา น, านด้วยความแปลกใจพอพิจารณาอย่างพินิษก็เห็นรอบตัวของมันนี่คล้ายๆกับมีรัศมีเหมือนกับไอหมอกนี่มาแพร่คลุมตลอดลำตัวงูเอาไว้รัศมีหมอกควันเนี่ยมีลักษณะโปร่งใสยอย่างประหลาดการที่งูจงอางตัวแข็งทื่อก็เนื่องจากกระแสจิตอันเยือกเย็นของหลวงพ่อผาง ควบคุมพลังความต้องการประทุสไรของอสราพิษไม่แสดงออกมาได้ท่านเห็นงูจงอางคล้ายกับเป็นอมพาถึงก็เกิดความเวทนาก็แผ่เมตตาออกไปยังงูตัวนั้นให้มันเป็นสุขอย่าเบียดเบียนใครให้เกิดโทษทางใดที่จะไปหากินหาอาหารเลี้ยงชีวิตก็ให้ไปตามวิถีทางนั้นเถอะอย่าไปในทางบาปทางเลวเลยเพราะว่าชาติภูมิของเขาก็เลวร้ายอยู่แล้วเมื่อหลวงพ่อผางกําหนดจิตให้งูจงอางไปจากที่นี่ งูใหญ่ซึ่งมีพิษร้ายกาจก็เคลื่อนไหวลำตัวได้มันก็ลดหัววูบลงมาสู่พื้นแล้วก็เลื้อยปราดหายลับไปในพงหญ้าอย่างรวดเร็วอำนาจกระแสจิตของหลวงพ่อผางในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาทรงออกไปเบียดเบียน ง, งูจงอางแม้แต่น้อยเพียงแต่ท่านมีจิตเมตตาไม่ปราถนาให้มันแสดงความดุร้ายออกมาเท่านั้นกระแสจิตแห่งความเมตตก็แผ่อนุภาพไปครอบงาความร้ายของมันโดยสิ้นเชิง ทำให้งูจงอ่างไม่อาจจะเคลื่อนไหวได้นะตราบเชงกระช่างหลวงพ่อผางอนุญาตให้มันไปเสียพลังจิตของท่านจึงได้คลายออกไปงูจึงได้เคลื่อนไหวเป็นปกติแล้วก็มันก็คงตกใจที่จู่ๆร่างกายเกิดแข็งทื่อขึ้นมาเฉยๆถึงได้รีบหนีไปทันทีท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุรูปใดก็ตามท่านก็ยืนยันบอกว่า พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมักจะมีเทวดาฟ้าดินเนี่ยคุ้มครองครับแล้วท่านก็ยืนยันอีกว่าไม่ใช่แต่พระเท่านั้นที่เทวดาคุ้มครองชาวบ้านคารวะาธรรมดาธรรมดานี่แหละถ้าประพฤติปฏิบัติ ด, ดีแล้วเทวดาก็คุ้มครองเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ปู่ฟั่นอาจาโรเป็นพระเถระที่ควรค่าแก่การกราบไหว้สการะอย่างสนิทใจในช่วงที่หลวงปู่กาลังบําเพ็ญสมณธรรมร่วมขบวนไปกับคณะท่านพระอาจารย์สิงขันตยาขโมจาริกไปสู่จังหวัดขอนแก่นเพื่อจะเผยแผ่พระธรรมคําสอนท่านก็ไปพำนักอยู่ที่ป่าช้าบ้านเหล่างาแล้วก็ให้หลว ง, งปู่ฟั่นอาจารโอนี่นำพระภิกษสุสามเณรจํานวนหนึ่งแยกไปปฏิบัติธรรมที่ป่าช้าบ้านเก่าโก พร้อมกับอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้เลิกละยึดถือพูดผีวิญญาณเห็นผิดเป็นชอบในห่วงเวลานั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ยังหลงผิดมีความยึดมั่นศรัทธาต่อพูดผีปีศาจเชื่อว่าพูดผีนี่ให้คุณให้โทษได้ก็มีพิธีบวงสวงเส้นไหว้ต่างๆอย่างแพร่หลายและเวลาเดียวกันก็มีผู้ตั้งตัวเป็นหมอผีเป็นครูบาอาจารย์เชี่ยวชาญวิชาไสยศาสตร์อาศัยความเชื่อของชาวบ้านก็หาประโยชน์ตั้งทางตร ง, ตรงทางอ้อมมาเป็นเวลายาวนาน ที่ป่าช้าบ้านเก่า โ, โกแห่งนี้ชาวบ้านเขหวาดกลัวกันเหลือเกินว่ากันว่าเป็นป่าช้าผีเด็กคือป่าช้าที่ศพฝังไม่ได้เผาที่มีพูดผีปีศาจออกอาราวาสหลอกหลอนน่ากลัวเหลือกําลังไม่มีใครกล้าเฉียดไกลเข้าไปใกล้ก็เป็นช่องทางให้หมอผีเพิ่มความสําคัญในแก่ตัวเองในฐานะผู้เรืองเวทสามารถกักกำราบผีร้ายให้อยู่ใต้อํานาจของตัวได้ทัานหลวงปู่ฟั่นนําคณะของท่านเข้าไปพำนัก อยู่ตรงนั้นหมอผีก็ประกาศคาดการณว่าคณะพระภิกษุสามเณรที่บางอาจก็ไปอยู่ในป่าช้าบ้านเก่าโกจะต้องมีอันเป็นไปด้วยอิทธิฤทธิผีร้ายอย่างแน่นอนแต่ว่าเวลาผ่านไปหลายสิบวันคณะของหลวงปู่ฟั่นกลับอยู่ในป่าช้าเป็นปกติไม่มีพระเนนรูปไหนถูกผีทำร้ายหรือว่ากระทําเอาอย่างที่หมอผีคาดการยืนยันเอาไว้เมื่อไม่ปรากฏอิทธิฤทธิอิทธิเดชผีร้ายทําอะไรพระภิกษุสามเณร ของหลวงปู่ฟั่นได้ชาวบ้านก็เริ่มลังเลสงสัยอำนาจพูดผีว่าคงจะไม่แก่กล้าหน้ากลัวสักเท่าไรพร้อมกันนั้นความเลื่อมใสศรัทธาก็บังเกิดแก่หลวงปู่ฟั่นกับคณะประกอบกับศีลาจารวัตของพระเนรคณะนี่งดงามชาวบ้านก็ยิ่งเพิ่มความเคารพนับถือเป็นทวีคูณหลวงปู่ฟั่นเห็นว่าจิตใจชาวบ้านโดยรวมแล้วอ่อนโยนลงแล้วก็น้อมศรัทธามาทางพระสงฆ์มากแล้ว ท่านก็ใช้โอกาสนี้แสดงธรรมนำทางให้ญาติโยมชาวบ้านรู้เห็นตามความเป็นจริงเลิกละสิ่งที่ผิดหลงง ม, มงายไปเคารพนับถือพูดผีวิญญาณอ่าควรจะหันมาเคารพยึดมั่นในพระรัตนตรัยแทนการเทศของหลวงปู่ฟันก็น้อมนำให้ชาวบ้านเกิดความคิดเกิดปัญญาที่นี้ความเปลี่ยนแปลงผันแปรของชาวบ้านนี่ก็ทาให้หมอผีนี่โกรธโกรธหลวงพ่ออ่าหลวงปู่ฟันกับคณะของท่าน เราคิดว่า Diamond, ajust, ท่านนำพระนี่มาขัดขวางผลประโยชน์ทำลายชื่อเสียงของตัวก็หาทางที่จะขับไล่หลวงปู Hayır ่ฟั่นแต่คณะออกไปให้พ้นหมู่บ้านเบื้องต้นก็พยายามปล่อยข่าวกล่าวร้ายป้ายสีว่าพระภิกษุกลุ่มนี้มีพฤติการเลวทรามต่างๆนานาแต่ว่าวิธีนี้ไร้ผลโดยสิ้นเชิงเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติของหลวงปู่ฟันกับลูกศิษย์ของท่านมันสวนทางกับความเท็จที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาทั้งสิ้น เมื่อปลุกระดมชาวบ้านให้เปลี่ยนความคิดมาเชื่อตัวไม่ได้คนกลุ่มนี้ก็ยิ่งโกรธแค้นถึงกับวางแผนจะปิดชีวิตพระสงฆ์ด้วยใจมืดบอดด้วยโทสะเช้าวันหนึ่งหลวงปู่ฟัานกับพระภิกษุสามเณรก็ออกบินธบาติจนตามปกติเมื่อกลับมาถึงที่พักท่านก็สั่งให้พระเนร น, นำข้าวห่อที่มีผู้ใส่บาตรนำมารวมกันแล้วก็ท่านก็บอกว่าอาหารในห่อเนี่ยผสมยาผิดไว้ถ้าฉันเข้าไปจะถึงแก่ความตายทั้งหมด จากนั้นหลวงปู่ฟั่นก็ให้นําอาหารผสมยาพิษ ไ, ไปกรลบฝังเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายแกสัตว์อื่นที่อาจจะมากินได้หลวงปู่ฟั่นรู้ว่าอาหารในห่อที่มีผู้ใส่บาตรถวายเนี่ยเป็นผสมยาพิษไม่ใช่ว่ามีใครมาแอบมากรกษิต บ, บอกแต่ว่าหากรู้ได้โดยใช้จิตพิจารณาถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่หลวงปู่ฟัน่นซึ่งมีจิตตานุภาพแจ่มใสเป็นเลิศภิกษุสามนเณรทั้งคณะมรณาภาพแน่นอน และคนโฉดใจอมหิตก็คงช่วยโอกาสกล่าวโทษว่าภิกษุสามเณรนีน่ถูกพูดผีในป่าช้าทำร้ายปิดชีวิตเมื่อแผนการปิดชีวิตหลวงปู่ฟั่นและคณะล้มเหลวผ่านไปได้ห้าวันผลแห่งกรรมชั่วก็ปรากฏให้เห็นทันตาคือหมอผีอาจารย์สสยเวทผู้ใส ย, ยาพิษในอาหารและลูกศิษย์ที่แกล้งนาห่ออาหารมาใส่บาตรก็เกิดมีอาการเจ็บปวดในช่องท้องอย่างแสนสาหัสโดยหาสาเหตุไม่เจอ คนทุกข์ทรมานไม่ทันข้ามคืนก็สิ้นใจตายความตายของผู้กระทําชั่วแทนที่จะทําให้เกิดสํานึกผิดเกรงกลัวต่อบาปเวรกลุ่มคนที่เป็นสมัครพรรคพวกหมอผีกับหลงผิดคิดว่าหลวงปู่ฟันเนี่ยเป็นผู้กระทําร้ายให้ถึงตายด้วยวิชาอาคมตอบแทนสวนกลับก็ถูกโทรสาครอบงําจนไร้สติจับกลุ่มกันด่าพระนามหลวงปู่ฟันอย่างหยาบหยาบคลายๆชนิดไม่ยัง้งโยมชาวบ้านคนหนึ่งเขรับฟังคําด่าพระนามเต็มสองหู เขาก็มากราบเรียนเล่าให้หลวงปู่ฟันโดยละเอียดเสร็จแล้วก็ลงท้ายว่าหลวงปู่ครับมันด่าหลวงปู่ว่าไอหมาฟัน่นหลวงปู่นั่งรับฟังด้วยอาการสงบแล้วก็ถามโยมบอกว่าจากนั้นก็สอนให้โยมรู้จักระงับอารมณ์โกรธด้วยการไม่โกรธตอบเพราะว่าความโกรธมีแต่จะทําให้ตัวเองเร่าเรอนเศร้าหมองเป็นอากุศลกรรมให้ตัวเองตกต่ํากรรมชั่วที่หมายปองชีวิตจิตเจตนาปทุสร้ายด้วยกายวาจาใจ พระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแสดงผลอีกครั้งอีกไม่กี่วันต่อมากลุ่มคนที่ร่วมกันด่าประนามหลวงปู่ฟันเขาออกไปหาปลาที่แก่งใหญ่ละว่าเกิดเรือล่มจมลงในกระแสน้ำเชี่ยวตายเกือบหมดลำเรือแม่นั่นเป็นเรื่องของกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นโดยชัดเจนแล้วยังมีหลักฐานให้เห็นอยู่จนกระทั่งถุกวันนี้สักครู่ กิติศักด์กิติกุลของหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเกต็ตเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นที่เรื่องลือแล้วก็กล่าวได้ว่าเป็นศูนย์รวมความเคารพศรัทธาของชาวภูเกต็ตแล้วก็ชาวภาคใต้อย่างกว้างขวางบารมีของท่านเนี่ยไม่ได้ได้มาด้วยความเชื่อถืออย่างง ม, มงายหรือว่าเป็นเรื่องบอกกล่าวเล่าต่อโดยไม่มีข้อมูลพื้นฐานยืนยันรองรับทุกเรื่องในมีที่มาอย่างชัดเจนอย่างเช่นเรื่องที่มีชาวบ้านขอปิดทองที่นาแข้งของท่านอะ คือครั้งนั้นน่ะมีชาวพู้เกจีห้าคนนำเรือออกไปหาปลากลางทะเลเสร็จแล้วก็เกิดพายุพัดแรงมากเลยทะเลคลุ้มคลั่งเรือแทบจะล่มเสียได้แต่ละคนก็กลัวกันเต็มที่ใครที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไหนก็บนขอให้พายุสงบลงแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าพายุยังกระน่ำไม่หยุดแม้ว่าจะบนต่อเทวดาอารักษ์ทั่วทิศพายุก็ยังบ้าคลั่งไม่เลิกก็มีคนหนึ่งในกลุ่มที่เคารพนับถือหลวงพ่อแชม ออกปากบนบอกว่าถ้ารอดชีวิตได้เนี่ยจะปิดทองอหลวงพ่อวัดฉลองพอบนอย่างนี้ไม่นานพายุร้ายก็พ่อนครายคลายลงจนกระทั่งสงบราบเรียบคนหาปลากลุ่มนี้รอดชีวิตมาได้พอเอาเรือกลับมาถึงฝั่งก็รีบไปหาหลวงพ่อแชม่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกลางทะเลท่านฟังแล้วขออนุญาตปิดทองแก้สินบนหลวงพ่อแชม่มท่านก็ไม่ยอม บอกข้าไม่ใช่พระพุทธรูปนี่จะปรทํานอกรีดนอกรอยมาปิดทองคนเป็นๆอย่างนี้ที่ไหนอ่ะคนหาปรามก็ไม่ยอมเหมือนกันมันก็บอกว่าก็ผมบนเนี่ยอย่างนั้นนะหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่ยอมให้ผมปิดทองแก้บนแล้วแรงศิลบ์บนจะทําให้ผมเจ็บป่วยร้วมตายแล้วหลวงพ่อจะว่าไงอ่ะหลวงพ่อแช่มได้ยินก็ถึงนิ่งเพราะท่านก็เชื่อเรื่องแรงศิลป์บนอยู่ด้วยถ้าหากว่าท่านไม่ยอมแล้วเกิดอันตรายขึ้นมากับคนที่บนบาปมันก็ตกมาถึงนั่น ด้วยเหตุนี้ท่านก็เลยยอมให้คนหาปลาพวกนี้ใช้ทองคำเปลวมาปิดที่นาแข่งโดยใช้น้ำมาลูบขาก่อนที่จะเหยียดออกไปให้ปิดอทองเปลวแผ่นเล็กๆเพียงแผ่นเดียวพอเป็นกิริยาอพอคนบนกลับไปแล้วท่านก็รีบไปล้างออกเสียกิตติศัพท์ที่ชาวเรือรอดตายเพราะบนปิดทองหลวงพ่อแช่มวัดฉลองลือไปทั่วเกิดการเอาอย่างเรียนแบบตามมาคราวนี้ใครจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอันตรายก็บนปิดทองหลวงพ่อแช่ม พอหายเจ็บหายไข้รอดพ้นอันตรายมาได้ก็จะมาขออนุ ญ, ญาตปิดทองคําเปลวที่หน้าแข้งของท่านก็เลยกลายเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวภูเก็ตแล้วก็หัวเมืองใกล้เคียงเวลานั้นเวลาไหนที่ชาวภูเก็ตรู้ข่าวว่าหลวงพ่อแช่มจะเข้าเบืองสองฝั่งวากทางที่ท่านเดินผ่านจะมีคนมาคอยปิดทองกันเป็นแถวยังกระคอยใส่บาดพอท่านมาถึงคนที่บนไว้แล้วก็สำเร็จสมประสงค์ก็จะร้องนิมนต์หลวงพ่อแชม่มประจําเป็นต้องหยุดให้เขาปิดทองที่หน้าแข้งเป็นระยะระยะตลอดทาง เกียรติคุณของหลวงพ่อแชมในเรื่องแก้บนด้วยการปิดทองเนี่ยเรื่องลือไปไกลแล้วเรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีข้อมูลความจริงน่ยคงเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้ผู้คนพากันเคารพนับถือท่านจํานวนมากมายพื้นฐานเนี่ยจะต้องมาจากความจริงอย่างแน่นอนนอกจากมีผู้คนเคารพนับถือหลวงพ่อแชมวัดฉลองทั่วทั้งจังหวัดภูเกต็ตแล้วก็ตลอดหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันตกทั้งหมดความเคารพนับถือนี่ก็ยังแผ่กระจายออกไปไกลถึงเมืองปีนัง ซึ่งเป็นอนัณาเขตของกรีฑชาวปีนังส่วนใหญ่เป็นคนไทยและคนจีนเชื้อสายไทยนับถือพุทธศาสนาชาวพุทธในปีนังก็สร้างวัดขึ้นหลายวัดแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ไทยไปจำพรรษาหลายรูปแต่ว่าในเมืองปีนังเนี่ยไม่มีพระเถระผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือสูงสุดชาวพุทธเมืองปีนังทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤรืหัดก็ยกย่องให้หลวงพ่อแชมวัดฉลองเป็นมหาเถระของเมืองปีนังถ้ามีการสร้างโบสถ์ใหม่ก็จะนิมนต์ท่านไปผูกพัทศีมา หามีการบวชนาคก่อนฤดูขา้าพรรษาก่ น, นิมนต์ให้ไปนั่งเป็นอุปชาบวชนาคแม้ว่าในหมู่คณะสงฆ์เกิดอธิกรณ์เกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นก่ น, นิมนต์ให้ท่านไปไต่สวนพิจารณาตัดสินคำพิพากษาของท่านนี่ถือว่าเป็นเด็ดขาดเรื่องเล่าเกี่ยวกับการแก้บนด้วยการปิดทองหลวงพ่อแชมปนี่ไอ้เรื่องสําคัญเนี่ยครับเรื่องมีอยู่ว่ามีเด็กสาวรุ่นรุ่นชาวภูเก็ตคนหนึ่งนิสยัยมชอบพูดอะไรโลนโลนหยาบหยาบคล้าย เด็กผู้หญิงคนนี้มันเกิดล้มป่วยมันบนบนขอให้หายป่วยและไอ้พราะนิสัยโลนของมันนี่แหละก็อธิษฐานว่าถ้าหายป่วยเนี่ยจะแก้บนด้วยการปิดทองที่ของรับหลงวงพ่อแชมเสร็จแล้วมันก็หายป่วยจริงๆนี่เด็กมันก็ไม่กล้าบอกใครมันก็เฉยเสียต่อมาอยูไม่นานไอ้เจ้าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ล้มป่วยลงอีกคราวนี้อาการหนักเลยหมอมารักษาให้ยา ย, ยัางไงอาการก็ไม่ทุเลาวเบาลง พ่อเขก็สงสัยจะถูกผีทําหรืออาจจะเนื่องจากแรงศีลบนพ่อซักถามยังไงมันก็ไม่ยอมรับจึงกระช่างอาการป่วยหนักจนทนไม่ไหวเด็กก็สรารภาพปิดไปว่าตัวเองแอบอ่แอบบนเอาไว้ยังไงพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงถ้าปล่อยทิ้งไว้ลูกคงตายแน่ตัดสินใจบากหน้าไปหาหลวงพ่อแช่มวัดฉลองเอาลูกไปด้วยไปเล่าเรื่องให้ท่านฟังตามตรงหลวงพ่อเขบอกบนชิบหายอย่างนี้ใครจะให้มึงทําำใครจะยอมไม่ปิดทอง พอแม่ก็กลัวลูกสาวจะตายกราบไหว้หลวงพ่อประหลกประหลกให้หลวงพ่อช่วยนะหลวงพ่อก็ไม่ยอมท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันน่ะในที่สุดท่านก็หาทางออกนไะอ้ใช้ไม้เท้าที่ท่านถือเป็นประจำเอามาเอามาวางไว้แล้วก็นั่งทับแล้วก็ให้เด็กใช้เอทองคำเปลวเนี่ยปิดที่ปลายไม้เท้าแก้บนตอนที่เด็กมบปิดเนี่ยท่านก็บอกมือกระบนลามกจกกระเปรอย่างเนี้ย กูจะให้มึงตายตายซะเลยถ้ามึงขืนบนอย่างนี้อีกนะกูไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ให้ปิดต้งกูล็อกที่น่าประหลาดก็คือหลังจากปิดทองแก้บนแล้วเด็กสาวคนนี้ก็หายวันหายคืนเรื่องนี้เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าบ ร, ร ม, มวงศเถอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาไทยสเสด็จไปตรวจราชาการหัวเมืองมนฑนภูเก็ตพบกับหลวงพ่อแชมปเรื่องเนีไ้ได้ได้พูดเรื่องนี้ไว้แล้วก็ทรงบันทึกเรื่องนี้เอาไว้ว่า ฉันได้ถามพระครูว่าเคยให้เด็กปิดทองปลายไม้เท้าแก้บนจริงหรือเปล่าท่านเป็นแต่ยิ้มอยู่ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธจึงนึกว่าเห็นจะเป็นเรื่องจริงดังที่เขาเล่าครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพระธีราจารย์ผู้มีชื่อเสียงในทางแคล้วคลาดคงกระพันชาตรี ในอดีตเวลาท่านทําพระเครื่องวัตถุมงคลเพื่อแจกจ่ายมอบให้ลูกศิษย์หรือว่าคนที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลทางวัดเนี่ยวัตถุมงคลเหล่านี้ก็จะปรากฏความเข้มแขังเป็นที่น่าอัศจรรย์ให้ได้ประจักษ์เสมอหลวงพ่อคงธรรมโชโตวัดบางกะพรอ้อมอําเภอพะวาจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยครับเป็นพระเถราจารย์ที่มีชื่อเสียงเรื่องเลืออีกรูปหนึ่งแต่ว่า ผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสิทธิหลวงพ่อคงและได้รับวัตถุมงคลไปจากท่านบางคนมีพื้นนิสัยหารกล้าไปในทางที่ผิดเก็บง้างซ่อนเล้นอยู่ในสันดานเมื่อได้ของดีจากหลวงพ่อคงก็เท่ากับไปกระตุ้นไอ้ความพึกเหิมให้แสดงออกมาแล้วก็ถลาไปสู่วิถีทุจริตเหมือนกับคนตกลงไปในหลมหลุมอันมืดมิดบางคนก็กลายเป็นเสือปล้นโจนรร้ายสร้างความเดือดร้อนให้แก่สุจริตชนเป็นภาระหนักของตํารวจเขาต้องคอยไล่ล่าปราบปราม เพื่อจะเอาตัวมาลงโทษตามอา ญ, ญาบ้านเมืองแต่ว่าการปราบโจรซึ่งเป็นสิทธิ์หลวงพ่อคงวัดบางกับพร้อมนี่ไม่ใช่ทําได้ง่ายเพราะว่าเสือร้ายเหล่านี้มักจะปักหลักสู้แทนที่จะหนีหัวซุ่หัวซุนตํารวจซะอีกก็ต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงภัยเพราะว่าเวลายิงกันนี่ลูกปืนมันไม่เข้าใครออกใครนี่ถ้าประมาทพลาดพลั้งเมื่อไหร่ก็เจ็บหรือตายสองอย่างเท่านั้นแหละทีนี้การที่เสือจนตาเสือปล้นโจรร้ายเนี่ย หานกล้าสู้กับตำรวจโดยไม่พันผึงก็เพราะว่าเชื่อมั่นในอิทธิฤทธิ์วัตถุมงคลของขังที่หลวงพ่อให้ไปคนสันดานชั่วก็เลยกำแหงอาหางกามากขึ้นเวลานั้นมีเสือปล้นก๊กหนึ่งอารวาดอยู่เขตจังหวัดสุงคทัมตำรวจล้อมจับล้อมยิงต่างหลายหนก็ทำอะไรไม่ได้ขนาดมือปราบของกรมตารวจซึ่งมีชื่อกระชอนลุ่มน้าแม่กลองคือร้อยตารวจเอกหลวงกล้ากลางสมอน แล้วก็ร้อยตำรวจโทรขุนนริทนทร์ธรสรศักด์นำกําลังตำรวจเข้าล้อมยิงด้วยตัวเองเสือปล้นรายนี้ก็ยังหลุดรอดเงื้อมมือไปได้ทุกครั้งสองนายตำรวจมือปราบก็เลยเข้าไปนมัสการหลวงพ่อคงวัดบางกระพมกราบเรียนท่านทํานองต่อว่าท่านกายๆว่าหลวงพ่อเวลาหลวงพ่อจะมอบของให้ใครอะทําไมไม่ดูให้ดีซะก่อนให้พวกเสือพวกโจรไปได้ก็ทําให้ยากต่อการปราบปรามเพราะว่าเวลาไปปราบโจรอะ พวกที่มีธงของหลวงพ่อยิงปืนเท่าไรเท่าไรลูกปืนก็ไม่ข้ามธงหลวงพ่อคงท่านก็บอกว่าก็เวลาเขามาหาฉันนี่เขาเป็นคนดีเขายังไม่ได้เป็นเสือเป็นสางนี่จ้ะฉันจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะสองตํารวจฟังแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะที่ท่านพูดนะ่ะเป็นเหตุเป็นผลซึล่งเถียงไม่ได้เหมือนกันเพราะตอนเข้าไปเอาของนี่มันก็คนดีด้ยกันทั้งนั้นแหละ พวกเสือป้นโจนรร้ายซึ่งได้ของดีไปจากหลวงพ่อคงไปนั้นถ้ายังไม่ถอนตัวจากการทําความชั่วไม่นานถ้าไม่ติดคุกก็ถูกตํารวจยิงตายหมดเพราะคุณวิเศษของความขลังนี่เสื่อมลงประกอบกับผลแห่งกรรมชั่วเข้ามาตัดรอนกรรมดีที่คุ้มครองตัวเองอยู่ความอยู่ยงคงกระพันตะแค้วคลาดก็อันตรธานหายไปหมดหนังที่เคยเหนียวก็กลายเป็นเปื่อยยุย่ยเจอลูกปืนเข้ามาร่ก็กลายเป็นผีเมื่อนั้น แล้วจุดจบของไอเสือชื่อดังที่เล่าลือกันว่าอยู่ยงคงกระพันก็มักจะลงท้ายเหมือนกันหมดทุกรายไปที่นี่มาถึงพระอีกรูปหนึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อพระอุปชานกหรือว่าหลวงพ่อนกธรรมโชดนี่เป็นพระอภิญญารูปหนึ่งเหตุเสมือนการบีบคั้นบังคับไปหลวงพ่อนกธรรมโชตแสดงฤทธ์เกิดขึ้นเมื่อท่านพาหมู่คณะซึ่งมีพระภิกษุสามเณรทุดงไป ชายแดนด้านอารัญยประเทศชายแดนด้านนี้เป็นที่อยู่ของพวกเกเรียงหลายเผ่ากะเรียงพวกนี้ถือผีเป็นสารณะแล้วก็ขึ้นชื่อว่ามีวิชาร้ายกาศทางสยเวทบนดำยาสั่งยาพิษนะแล้วชอบลองของกับคนต่างถิ่นที่ผ่านเข้าไปในถิ่นของมันโดยเฉพาะถ้าเป็นพระทุดงพวกนี้ต้องหาทางลองวิชาเพราะเชื่อว่าพระทุดงเนี่ยมีวิชาอาคมแก่กล้าอ่ะ พระธุดงหลายรูปที่มีประสบการณ์มาน้อยพลังจิตไม่กล้าแข็งต้องถึงแก่การมรณาภาพอย่างน่าเศร้าสลดเพราะอำนาจสายเวทมงนดำจากกะเรียงพวกนี้พวกนี้ไม่นึกถึงบาปเวรที่จะเกิดแก่ตัวเพราะว่าถ้าเขาสามารถติดชีวิตพระธุดงได้เขาจะภูมิใจในความเก่งของตัวเป็นที่นับถือยกย่องในหมู่พวกเพราะฉะนั้นพวกกะเรียงพวกนี้ก็คอยจ้องหาพระธุดงที่จะจาริกเข้ามาเพื่อจะลองวิชา คราวด้านหลวงพ่อนกธรรมโชดนำคณะของท่านมาถึงเขตหมู่บ้านกเกรียงแห่งหนึ่งตอนเย็นก็สั่งให้ปักกรดในสถานที่อันเหมาะสมห่างจากหมู่บ้านพอสมควรแล้วพบขํามวันนั้นก็มีหัวหน้าหมู่บ้านมานิมนหลวงพ่อนกแล้วก็พระเนนสิทธิ์ของท่านให้ไปฉันอาหารที่บ้านในตอนเช้าท่านก็รับนิมนเช้า ว, วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อนกก็พาคณะของท่านไปยังบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านเขาก็ต้อนรับด้วยความนอบน้อมหลังจากพระเนรนั่งประจําที่เรียบร้อยอาหารก็ถูกลาเลียงมาตั้งถวาย อาหารเหล่านั้นก็มีข้าวสวยแกงเนื้อผัดกุ้งกับเห็ดกุ้งต้มเค็มแล้วก็เห็ดลวกแล้วก็มีน้ําเปล่าใส่ขันมาถวายด้วยอาหารที่จัดเตรียมมาถวายพระนี่ได้รับการปรุงมาอย่างดีอ่าแล้วก็ดูจะดีเกินไปทั้งไม่น่าเป็นไปได้เมื่อมีกุ้งแม่น้ําตัวโตๆนี่ถูกนํามาปรุงเป็นอาหารด้วยคณะพระเนนได้รับคํากําชับจากหลวงพ่อนกมาก่อนแล้วว่าถ้าหากหลวงพ่อไม่อนุญาตให้ฉันห้ามองค์ใดฉันเป็นอันขาด ดังนั้นพระเนนทุกรูปจึงรอคําสั่งหลวงพ่อเมื่ออาหารทั้งหลายถูกนํามาตั้งเป็นที่เรียบร้อยหลวงพนกก็สํารวมจิตพิจารณาปรากฏว่าท่านเห็นอาหารเหล่านั้นไม่เหมือนกับที่พระเนรลูกศิษย์มองเห็นเพราะว่าของเหล่านี้ถูกทําขึ้นโดยอํานาจของคุณใสเช่นว่าน้ําดื่มซึ่งดูใสสะอาดเนี่ยแท้จริงคือเลือดไก่สดสดส่วนข้าวสวยนี่ถูกคลุกคล้าด้วยยาพิษอย่างแรงถ้าฉันเข้าไปเวลาไหนก็ตายในเวลานั้น แล้วที่เห็นเป็นแกงเนื้อแท้ที่จริงเป็นงูเหา่านอนขดอยู่ในชามใหญ่ใครเอื้อมมือไปตักนีนจะถูกมันฉกัดทันทีผัดกุ้งกับเห็ดเนี่ยก็คือหนังควายเศษให้เหลือเพียงชิ้นเล็กๆถ้ากินเข้าไปก็จะขยายเป็นชิ้นใหญ่ในท้องกุ้งต้มเข็มเนี่ยตะปูเขมเ็มเต็มชามเลยสําหรับเห็ดลวกนั้นเป็นเห็ดเมากินเข้าไปก็เมาไปหกเจ็ดวันหลวงพ่อนกเห็นความจริงอย่างนั้นท่านสำรวมจิตยึดเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เพ่งไปยังอาหารในจานชามนั้ น, น่ะครู่หนึ่งสภาวะอันแท้จริงของของที่ทำมาด้วยอำนาจไสยเวทก็ปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงพระเนนทุกรูปนี่ตกตะลึงส่วนหัวหน้าหมู่บ้านที่คิดจะลองริจกพระธุดงค์นี้หน้าซีดรีบก้มลงกราบหลวงพ่อนกยอมพ่ายแพ้อย่างราบคาบก็สั่งให้ลูกเมียจัดการนำถ้วยชามที่ใส่สิ่งชั่วร้ายออกไปโดยเร็วแล้วก็ลาเลียงข้าวปลาอาหารจริงๆเข้ามาแทนที่ หลวงพ่อนกพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอาหารบริสุทธิ์จึงอนุญาตให้พระเนนฉันได้หลังจากฉันเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้เทศสั่งสอนในหัวหน้าหมู่บ้านกระเรียงรู้จักผิดชอบชั่วดีตลอดจนคุณธรรมอันควรประพฤติปฏิบัติสืบไปจากนั้นก็ได้นำคณะสิทธิ์ของท่านจาริกออกจากหมู่บ้านกะเรียงทุดงต่อไปในวันนั้นท่านผู้ฟังคงจะเคย ได้ยินเรื่องพระกรรมฐานเนี่ยนะพระกรรมฐานที่ผ่านการฝึกอบรมจิตมาอย่างเข้มแข็งจนกระทั่งจิตของท่านมีอํานาจกล้าแข็งแสดงฤทธิ์ได้เนี่ยแต่ท่านก็ทำไปโดยไม่ได้โอ้วดหรือว่าเพื่อประโยชน์อะไรทั้งนั้นนอกจากจำเป็นจะต้องแสดงเป็นบางครั้งแล้วก็ผลของการแสดงเนี่ยจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมท่านถึงจะทา อย่างเช่นครั้งหนึ่งของพระอาจารย์ฟั่นอาจา ร, รุพระอาจารย์ฟั่นอาจารุรนี่เป็นสิทธิ์ของอพระอาจารย์มั่นพุริทัตโตท่านเป็นพระป่าสายปฏิบัติถือเป็นแม่ทัพกองทำที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยถือทุ้ดงเป็นวัดตลอดเวลาที่บำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรหลวงปู่ฟั่นนี่นับเป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งที่มีพลังจิตเป็นที่น่าอาัศจรรย์ครั้งหนึ่งพระอาจารย์ฟั่นเดินทุ่ดงไปที่จังหวัดจันทบุรี พอดีกับมีโยมคนหนึ่งเสียชีวิตญาติของโยมคนนี้มีความเคารพศรัทธาต่อพระอาจารย์ฟั่นเป็นอย่างยิ่งก็นิมนต์ท่านไปสวดพระอภิธรรมคืนที่ท่านรับนิมนต์ไว้ท่านก็ไปสวดพระอภิธรรมให้เจา้าภาพก็ยังอาราธนาขอให้ท่านเทศให้ท่านอ่าให้ฟังด้วยท่านก็ไปขาดศรัทธาเมื่อพระอาจารย์ฟั่นเริ่มแสดงธรรมก็ปรากฏว่ามีขี้เมากลุ่มหนึ่งตั้งวงมากรุกอยู่ข้างหลังนี่ ส่งเสียงเออะเอหาเสียงโปกเปกโปกเป ก, ปลกตลอดเวลาพระจะสวดยังไงไม่สนอแทนที่จะสำรวมสงบปากสงบคําเสียงดังโวยวายไม่เกรงใจใครเมื่อพระอาจารย์ฟั่นเริ่มต้นเทศนาแสดงธรรมขี้เมากลุ่มนี้ก็ยังคงส่งเสียงรบกวนเหมือนเดิมก็มีคนเข้าไปขอร้องให้เงียบเสียงลงซะบ้างเพื่อเขาจะได้ฟังเทศกันแทนที่พวกขี้เมาจะฟังไม่สนใจอ่ะเออะเหมือนเดิม แล้วรู้สึกจะดังกว่าเก่าสิอีกเพราะว่าไม่พอใจที่มีคนมาห้ามพระอาจารย์ฟั่นก็เห็นว่าคนพวกนี้ดื้อด้านแล้วก็ยังรบกวนรังควานคนอื่นคนที่เขาต้องการจะฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมด้วยความสงบท่านก็เลยเพ่งกระแสจิตเนี่ยไปยังคนกลุ่มนี้ช่วงนั้นเองขี้เมาทั้งกลุ่มก็พากันชะ ง, งักงนันหัวทิ่มลงมาสมกันบนกระดานมากรุกเหมือนกับปลอยหลับพร้อมๆกันคนที่กําลังอ้าปากพูดก็อ้าปากค้างอยู่อย่างนั้น คนที่ถือตัวหมากรุกกำลังจะโคกลงไปรุกก็อเนื้อมือค้างอยู่ที่เดิมแต่หัวตกไปชนกันอ่าแต่ละคนเงียบเสียงยังกรปริตติง้งเมื่อไม่มีเสียงเอะอะรบกวนพระอาจารย์ฟั่นก็แสดงธรรมได้อย่างสะดวกเป็นประโยชน์และสมประสงค์แก่ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายจนกระทั่งการบรรยายธรรมสิ้นสุดลงพระอาจารย์ฟั่นท่านคงจะต้องการลงโทษกีเมากลุ่มนี้ให้เข็ดหลับแม้ว่าจะเทศนาธรรมจบลงไปแล้ว ทันก็ยังไม่ถอนการสะกดจิตก็ปล่อยให้ขี้เมาแต่ละคนหมอผัวทิ่มตูดโด่งเวอยงอ่ะเน่ยคนที่มาในงานสวดศพเห็นสภาพัรนดาทุเรศก็หัวเราะกันใหญ่ขบขันกระทั่งพระอาจารย์ฟั้นกลับวัดถึงได้มีคนไปปลุกขี้เมาที่นอนมอผัวทิ่มอยู่ตรง น, นั้นนะน้ําลายไหล ย, ยืดยื ด, ยดขี้เมาแต่ละคนก็ลืมตาตื่นก็นมาได้ความ ง, งุนงงก็นึกไม่ถึงว่าตัวเองจะหลับหมดสติไปทุกคนเล่าว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนใจจะขาดขึ้นมาเฉยๆ จำได้แต่ว่าหมอบฟุบลงไปแล้วก็จําอะไรไม่ได้อีกเลยพอทุกคนคาดเดาเหตุที่ตัวเองหมดสติได้ต่างก็เกิดความละอายใจที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่อหน้าพระภิกษุผู้ทรงศีลแล้วก็รบกวนคนอื่นเขาที่กําลังต้องการความสงบอีกทั้งยังเกิดความยำเกรงต่อพระอาจารย์ฟั่นอย่างจับจิตจับใจกิตติศัพท์กิตติคุณของพระอาจารย์ฟั่นที่สยบพวกกีเมามิจฉาทิฐินี่เป็นที่เล่าลือของชาวจันทบุรี ก็ทําให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาท่านกว้างขวางกว่าเดิมและอีกเรื่องหนึ่งหลวงปู่กองมาจิระปุญโญท่านเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของพระอาจารย์ฟ้นนี่แหละคือครั้งนั้นพระอาจารย์ฟันได้นาพระเนนประมาณสิบรูปออกเดินทูดงไปบนสันเขาเขตภูพานจังหวัดสกล น, นครวันนั้นท่านก็นําพระเนนเดินไปบิณฑบาต ท, ที่หมู่บ้านซึ่งอยู่ไกลพอสมควรระหว่างที่เดินไปนั้นท่านก็ได้ถามเนนที่เดินตามหลังว่าเนน เราจะลองใช้พลังจิตให้ดูเอาไหมเนนก็บอกอ้าวครับเวลานั้นมีนกฝูงใหญ่บินผ่านมาบินตามหัวหน้าฝูงเป็นขบวนเลยท่านก็มองดูฝูงนกเสร็จแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าเราจะให้นกที่บินผ่านมาเนี่ยตัวหนึ่งลงมาเกาะอยู่ที่มือให้เนนดูนะพูดแล้วท่านก็ยื่นมือออกไปท่านผู้ฟังอยู่ๆนกตัวหนึ่งก็บินแยกจากฝูงบินทลาลงมาเกาะที่มือพระอาจารย์ฟัน พระหนึ่งเป็นนกเชื่องซึ่งมันผิดวิสัยของนกป่าทั้งหลายพระเนนที่ตามท่านมาเนี่ยก็เห็นด้วยกันทุกคนแล้วก็พากันอัศจรรย์ใจยิ่งนะนกป่านี้เกาะนิ่งอยู่ที่มือของพระอาจารย์ฟันครู่หนึ่งเมื่อท่านคลายจิตนกก็ทําท่าตกใจจากนั้นก็รีบบินจากไปก็กลับเข้าไปอยู่รวมฝูงเหมือนเดิมน่ะเรื่องนี้หลวงปู่กองมาเป็นคนเล่าเองนะอ่า การที่พระอาจารย์ฟั่นแสดงฤทธิ์ทางจิตให้พระเนรลูกศิษย์ได้ประจักษ์ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการโอ้อวดถึงพลังจิตที่เหนือมนุษย์หากว่าท่านต้องการแสดงให้พระเนนทั้งหลายเกิดความเชื่อในเรื่องประพฤติปฏิบัติธรรมว่าถ้าหากว่ามุ่งมั่นปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วผลที่ได้เนี่ยจะสามารถทําบางสิ่งบางอย่างที่ชาวบ้านธรรมดาเขาทําไม่ได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่กองมาท่านได้เล่าถึงความมหัศจรรย์ทางจิตของหลวงปู่ฟั่นอาจารย คือพระอาจารย์เนี่ยมีแมวตัวผู้ตัวหนึ่งเป็นแมวสีขาวเหลืองท่านเลี้ยงไว้จนโตแล้วก็สามารถฝึกให้มันเดินจงกรมด้วยพลังจิตของท่านตอนแรกๆท่านก็ใช้พลังจิตฝึกให้มันเดินไปเดินมาในลักษณะเดินจงกรมต่อมามันเกิดความเคยชินไม่จําเป็นต้องใช้พลังจิตควบคุมอีกต่อไปเพียงแค่ดีดนิ้วนี่แมวก็จะเดินจงกรมเองการฝึกแมวให้เดินจงกรมนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงพลังจิตเป็นมหัศจรรย์ของพระอาจารย์ฟั่นเท่านั้น แล้วก็ท่านคงไม่ได้ฝึกแมวไว้เพื่อความสนุกเล่นแน่ๆ แ, แต่เป็นความเมตตาของท่านที่จะต้องการเกื้อนหนุนให้มันมีวาสนาบารมีสูงขึ้นเพื่อที่ว่าเมื่อสิ้นภพสิ้นชาติในชาตินี้แล้วกุศลจะได้ส่งให้มันไปเกิดในภพภูมิของมนุษย์ต่อไปสักทีวัดว่าอารามในปัจจุบันนี่ก็มีการพัฒนาแข่งขันกันในทางวัตถุค่อนข้างสูงญาติโยมเขา ศรัทธาบริจาคปัจจัยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็นำไปก่อสร้างาศาสนาสถานบางที่ก็ทำอย่างวิจิตรงดงามโบสถ์วิหารบางวัดนี่สร้างนับสิบหรือร้อยล้านนี่เรียกว่างามไปตั้งแต่พื้นไปจนถึงยอดช่อฟ้านะพื้นที่วัดมีเท่าไหร่ก็อัดแน่นไปด้วยตัวตึกอาคารคอนกรีตแทบจะไม่มีที่ว่างแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยวัด ในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับน่าที่จะเป็นสถานอันร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เป็นสถานที่สงบเย็นแต่ทีนี้ว่าเมื่อมีวัตถุกเกิดขึ้นตัวอาคารเกิดขึ้นเยอะๆอย่างนั้นนะมันก็ดีอย่างสำหรับถ้าเพื่อประโยชน์สำหรับที่จะใช้สอยแต่ว่าไอ้ความสงบร่มเย็นเนี่ยมันจะหายไป แล้วพอความสงบร่มเย็นหายไปเมตตาธรรมมันก็จางน้อยลงบางวัดนี่ไม่มีแม้แต่หมาเร่ร่อนมาอยู่อาศัยเพราะว่ามีคําสั่งขับไล่ทุบตีสัตว์เหล่านี้ไม่ให้ล่วงล้ำเข้ามาในเขตวัดเนื่องจากเขารังเกยียจดําคาญทีนี้เจ้าสัตว์อดอยากหิวโหวยมันไม่มีที่พึ่งชาวบ้านก็ไม่เลี้ยงไม่รู้จะไปอยู่ทางไหนวิ่งหากินเรื่อยมา เข้าบ้านไหนก็โดนตีโดนทุบเข้าวัดดีกว่าพอเข้ามาก็ทําความสกรปรกก็กมเป็นสัตว์มันจะไปรู้เรื่องอะไรทีนี้ไอ้ความเวทนาสงสารซึ่งพุท ธ, ธาสาวกควรจะพึงมีอ่าก็น้อยลงทั้งที่โทรณีสงในควรจะเป็นพื้นที่อภัยทานเป็นที่พึ่งทั้งสัตว์ทั้งคนเพื่อผ่อนคลายความทุกข์เพราะมันหมดที่พึ่งมันไม่รู้จะไปไหน แต่ที่วัดอสุภารามหรือว่าวัดบางบัวเมื่อครั้งที่หลวงพ่อดิ่งยังดำรงสังขารอยู่นั้นพื้นที่ของวัดเนี่ยร่มรื่นโดยต้นไม้นานาพันธุ์แล้วก็เป็นที่อาศัยของสัตว์ต่างๆมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่เจ้าของนํามาปล่อยหรือว่าเร่ร่อนแพนจรไม่มีที่ไปก็จะพากันมาพึ่งพาอาศัยวัดบางบัวยู่ย่างเป็นสุขตามอัตภาพของมันพื้นดินเบื้องล่างก็มีสัตว์สีขาวิ่งกันเจียวไปหมด ส่วนบนยอดไม้จะสมถุมพุ่มลึกนกครับแน่นนะแม้แต่นกระยางก็ยังมาพักพิงในพื้นที่วัดเนี่ยดูขาวโพลนไปหมดเหตุที่วัดบางวัวเป็นสถานที่พึ่งของสัมสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้ก็เนื่องมาจากความเมตตาการุณาของหลวงพ่อดิงพลังจิตอ่น อ, อนโยนและชุ่มเย็นของท่านนี่ประหนึ่งครอบคลุมไปทั่วอาณาจักรของบริเวณวัดแห่งนี้เป็นกระแสความเมตต า, าซึ่งสัตว์ผู้ยากได้สัมผัสได้ พวกมันก็เลยพากันมาอยู่อาศัยด้วยความเป็นสุขข้าวกลนบาทของหลวงพ่อและของพระของเนนก็คืออาหารเลี้ยงชีวิตให้มันอยู่รอดในแต่ละวันหลวงพ่อดิง่งคังคะสุวรรโนเป็นพระภิกษุผู้เปี่ยมล้นด้วยความนอกจากภูมิจิตภูมิธรรมจะสูงแล้วท่านยังเล่าเรียนทางพุทธาคมสยเวทจากครูบาอาจารย์หลายท่าน พระภิกษุในอดีตตั้งแต่สมัยโบราณนี่มักจะสแสวงหาวิชาซึ่งเป็นคาถาอาคมเข้มแข็งมาเพิ่มเติมให้แก่ตัวเองแล้ววิชาที่ว่าเนี่ยจะสําเร็จด้วยอํานาจจิตเป็นสําคัญทั้งหมดเจตนาที่ท่านเล่าเรียนก็ไม่ใช่มุ่งหมายให้สําเร็จเพื่อจะแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชแต่ว่ามีจุดประสงค์เพื่อต้องการใช้ช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านญาติโยมที่ได้รับทุกข์ให้ผ่อนคลายไปเท่านั้นสมัยก่อนนี่มีผู้นิยมศึกษาเล่าเรียนคาถาอาคมแพร่หลาย ถ้าผู้มีวิชาเหล่านี้มีศีลธรรมตั้งมั่นอยู่ในความดีก็ไม่เกิดผลร้ายแต่อย่างใดหรอกครับแต่ว่าบางคนเล่าเรียนจนสําเร็จแล้วก็แกล่าในวิชาก็เกิดความหึกเหิมประกอบกับพื้นนิสัยสันดานโน้มเอียงไปในทางชั่วก็ต้องการจะทดลองความขลังในวิชาของตัวหรือว่าทําไปเพราะเห็นแก่อามิสินจ้างก็ลอบทำร้ายผู้อื่นด้วยวิชาอาคมเช่นว่าเสกตะปูไปเข้าตัวเข้าเสกหนังกวายเข้าท้องเขาเป็นต้น ผู้เคราะไร้ายที่ถูกทำอย่างเนี้ได้รับความทุกขเวทนาจนกว่าจะตายแล้วในกรณีอย่างเนี้ใครจะช่วยได้ก็จำเป็นจะต้องหวังพึ่งพระภิกษุผู้ทรงวิทยาพุทธาคมเท่านั้นที่จะช่วยเหลือให้ชีวิตรอดได้เพียงอย่างเดียวหลวงพ่อดิ่งนับเป็นพระเถราจารย์ผู้ทรงวิชาทางสยเวช ร, ระดับสูงแล้วก็มีวิชาความรู้ทางยาสมุนไพรรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยให้ชาวบ้านด้วยท่านก็เป็นที่พึ่งของชาวตำบลบางวัวตลอดมา คราวนั้นหลวงพ่อดิง่งทราบข่าวว่านายทองคําลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านที่ไปทํางานอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดเจ็บป่วยไม่สบายท่านก็เลยเดินทางไปเยี่ยมเป็นกรณีพิเศษการเดินทางไปครั้งนี้ก็มีนายปอนามสกุลบุตรส้อยนะร่วมร่วมเดินทางไปด้วยเมื่อเดินทางไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นเวลาพบค่ําแต่ว่ายังไปไม่ถึงบ้านนายทองคําหลวงพ่อดิ่งก็ต้องหาที่พักสําหรับในคืนนั้นก่อน พอดีมีวัดอยู่ใกล้ๆท่านก็เข้าไปพบเจ้าอาวาสขออนุญาตพักค้างคืนเจ้าอาวาสก็อนุญาตแล้วก็ให้เนรพาไปที่กุฏิไม้เก่าๆด้านหลังวัดหลวงพ่อดิงกับนายปอก็มีที่พักผ่อนสำหรับคืนนั้นแต่ว่าพระเนรรูปที่ว่าพาไปเนี่ยได้กล่าวแสดงกิริยาอึดอัดแปลกๆก่อนที่จะพูดว่าแล้วหลวงตาจะพักได้หรอ พูดแค่นั้นก็ไม่ได้อธิบายอะไรแล้วก็รีบเดินจากไปหลวงพ่อดิงก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรเมื่อถึงเวลาค่ำคืนหลวงพ่อดิงก็เตรียมจาวัดตอนที่ท่านนั่งสวดมนต์ก็ได้ยินเสียงเสือร้องขู่คำรามดังมาจากทางนอกกุฏิแล้วก็มีเสียงกระโดดดังตุกแต่ท่านก็วางเฉยคงสวดมนต์ต่อไปจนจบในปอเองนี่ตื่นตกใจแต่เมื่อเห็นหลวงพ่อดิงมีอาการสงบก็เลย ไม่ไม่พยายามที่จะไม่กลัวเมื่อหลวงพ่อดิงทํากิจของท่านเรียบร้อยก็ลุกขึ้นไปยืนมองที่หน้าต่างก็เห็นเสือใหญ่ตัวหนึ่งพยายามกระโดดจากพื้นดินเพื่อมาเกาะที่หน้าต่างแต่ว่าโดดยังไงก็โดดไม่ถึงขอบหน้าต่างเสือมันก็เพียนกระโดดตั้งหลายครั้งไม่ประสบความสาเร็จก็นอนหมอบอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะวิ่งไปทางกุฏิเจ้าอาวาสแล้วก็หายไปไม่มาปรากฏอีกเลยตลอดคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าอาวาสก็ให้ลูกศิษย์ เอาพัตนาฐารอย่างดีมาถวายให้หลวงพ่อ d ิงเมื่อท่านฉันเสร็จเจ้าอาวาตก็มาพบท่านก้มกราบขอขมาลาโทษที่ร่วงเกินแล้วก็ขอเล่าเรียนวิชากับท่านจึงเป็นอันแน่ชัดว่าเสือตัวที่ว่าเนี่ยเจ้าอาวาตใช้วิชาจำแรงตัวมาทดสอบหลวงพ่อดิงแต่ว่าวิชาของท่านเนี่ยยังอ่อนด้อยกว่าเนื่องจากไม่สามารถเข้าใกล้ตัวหลวงพ่อดิงได้ หลวงพ่อดิงบอกว่าบังเอิญท่านมิทุระจะรีบไปเยี่ยมลูกศิษย์ซึ่งกำลังป่วยไม่สามารถจะอยู่ที่วัดนี้ต่อไปถ้าหากว่าเจ้าอาวาสต้องการจะเรียนรู้วิชาจากท่านจริงๆก็ให้ไปหาท่านที่วัดบางบัวจังหวัดชาเชียงซาจากนั้นหลวงดิงกับนายปอก็เดินทางต่อไปอยังบ้านของลูกศิษย์แล้วในการต่อมาเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวก็ไม่ได้ไปพบหลวงพ่อดิงอีกเลย จากกรณีที่เจ้าวาดแสดงวิชาจำแรงแปลงกายเป็นเสือได้นี่นับว่าท่านก็สำเร็จวิชาทางจิตระดับสูงการมีวิชาอย่างเนี้ทำให้เกิดความาล้ำพองขนองใจถือตัวว่าเป็นเลิศพร้อมกันก็เกิดความายิ่งผยองต้องการจะเอาชนะคนอื่นและคิดจะข่มขวัญแสดงความเหนือกวาอ่าอเป็นกิเลสประการหนึ่งแต่เมื่อมาพบกับหลวงพ่อดิ่งซึ่งวางเฉยต่ออำนาจกิจคติาคม อย่างนี้ทั้งตะบะบรารมีของหลวงพ่อดิ่งเนี่ยสูงเหนือกวา่าเจ้าวาดก็ไม่สามารถจะกลํากลายเข้าใกล้ได้ดังนั้นจะเห็นว่าวิชาไสยศ า, ศาสตร์บางประเภทเนี่ยไม่มีประโยชน์และก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิน้นนะวิชาแบบนั้นน่ยพระภิกษุไม่ควรจะเข้าไปข้องแวยุ่งเกี่ยวเพราะหากหลงมัวเมาจนขาดสติย่อมจะเกิดโทษในภายหลังได้ไง่ายๆส่วนที่หลวงพ่อดิ่งท่านปฏิบัติท่านธรรมเนี่ยท่า น, นทำเพื่อสงเคราะห์เกื้อกูล แก่ชาวบ้านโดยเฉพาะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังสิทธิ์ท่านอาจารย์มั่นผูริทัตโตอีกรูปหนึ่งก็คือหลวงปู่สามอากินจโนวัดป่าตรายวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับตั้งแต่ท่านก้าวเข้าสู่ร่มเงาของพากาสาวพัดเมื่อบวชเป็นสมัมมณเณร จนกระทั่งบวชเป็นพระภิกษุที่วัดนาสามจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มาแปลยะติบวชเป็นพระธรรมยุทธเมื่ออายุ28ปีที่วัดสางโศกอำเภอยะโสธรจังหวัดอุบลราชธานีก็เรียกได้ว่าท่านเป็นพระสายปฏิบัติมาโดยตลอดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเคขี่ยกรำในการจาริกทุดงมาอย่างโชคชนทุกภาคาจากอีสานไปสู่ภาคเหนือล่องลงไปภาคใต้ ภาคตะวันออกแต่ละภรษาแทบไม่เคยจำภรษาซ้ำที่ไม่เพียงแต่มุ่งมัน่นปฏิบัติธรรมเพื่อชำระขัดเกลากิเลสในตัวตนให้เจือจางท่านยังอบรมแนะนำชาวบ้านญาติโยมด้วยการเทศแล้วก็สอนการปฏิบัติในทุกที่ที่ท่านจาริกไปถึงที่นี้การประพฤติเคร่งครัดในพระธรรมวินัยของหลวงปู่สามเนี่ยก็ทาให้ท่านงดงามด้วยปฏิปทาเป็นที่เคารพของประชาชนแต่ว่าในบางครั้ง เมื่อท่านไปอยู่ในหมู่คนผ่านสันดานหยาบก็กลับเป็นสาเหตุทําให้คนเหล่านั้นยิ่งมืดมัวด้วยความอิจฉาริษยากล้าทำการจ่วงจาบหยาบช้าด้วยความหลงตัวลืมตนจนกลายเป็นเรื่องน่าเศรา้าครั้งนั้นหลวงปู่สามไปสร้างวัดป่าที่บ้านผาเด้งอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่การสร้างวัดป่าของหลวงปู่สามไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องเรียรายปัจจัยมาสร้างโบสถ์วิหารสาราการปรเรียนให้มันหรูหรา หรือว่าสร้างกุฏิที่พำนักให้มันสะดวกสบายวัดของท่านน่คืออนาเขตที่เต็มไปด้วยศีลธรรมอันเยือกเย็นเสนาสะนะของพระภิกษุสามเณรก็เป็นเพียงกระตอบมุงบางอย่างหยาบๆพอหลบฝนพ้นจากแดดใช้ประโยชน์ในการภาวนาเจริญธรรมพระภิกษุที่จำพรรษาที่วัดเดียวกับท่านนี่ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นภาวนา สแสวงหาข้อธรรมมาทำลายกิเลสแล้วก็ยังช่วยชี้ทางสว่างให้ชาวบ้านด้วยด้วยการเทศพรรษานั้นหลวงปู่สามก็จำพรรษาที่วัดป่าบ้านผาเด้งพร้อมกับอาจารย์จันดีแล้วก็หลวงปู่สีจันภิกษุทั้งสามนี่ก็คร่ำเคร่งในการปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังนะอยู่ในกรอบพระวินยัยไม่บกพร่องทำให้ชาวบ้านผาเด้งนี่เขาเลื่อมใสามากมาทำบุญไส่บาตรแก่ท่านทั้งสาเป็นประจำ จนกระทั่งพระที่วัดประจำหมู่บ้านเดิมเนี่ยแทบจะหาคนใส่บาตรไม่ได้เสร็จแล้วคืนหนึ่งคืนหนึ่งก็มีคนมาเนี่ยภาวนากับท่านสามสิบี่สิบคนมันก็ทําให้ลาบสการะที่จะพึงมีพึงได้ของพระที่อยู่ในวัดเดิมเนี่ยเขาขาดหายไปทีนี้ถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุแต่ว่าจิตใจของพระบางรูปก็ยังอยู่ในความเป็นปูตุชนอ่า ความเข้าใจในความเป็นภิกษุของตัวก็คิดว่าควรจะได้รับการเคารพยกย่องตลอดเวลานะแล้วเวลาที่ผ่านไปท่านก็ยอยู่อย่างสุขสบายโดยว่าอาศัยชาวบ้านอุปการะก็น่าจะถือว่าเพียงพอแล้วอ่าแล้ก็ความคิดอย่างนั้นเนี่ยคือความหม่นหมองในระาศาสนาวันหนึ่งสมภารเจ้าวัดเดิมเนี่ยก็เดินทางมาสอบถามพระป่าทั้งสามรูปเนี่ยว่ามาจากไหน ศึกษาเราเรียนทางธรรมมาหรือเปล่าใบสุติประจำตัวพระภิกษุเอามาด้วยหรือเปล่าพระอาจารย์จันดีก็อธิบายให้สมภารองท่วาเนี่ยรับรู้จนหายข้องใจแล้วก็กลับไปประมาณวันที่เจ็ดวันที่แปดเมษายนปีนั้นเป็นปีสอง7หรเจ็ดพระอาจารย์จันดีกับหลวงปู่ศรีจันเนี่ยไปงานบุญสงกรานที่วัดป่าห้วยน้ารินจังหวัดเชียงใหม่นะก็เหลือหลวงปู่สามอยู่ที่วัดป่าบ้านผาเด้ง เพียงรูปเดียวนะพระอาจารย์จันดีกระหลวงปู่ศรีจันร์ไปทำธุระเสร็จแล้วก็เลยไปธรมรมสการหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังอําเภอพร้าวคืนวันที่สิบสองเมษาพระอาจารย์จันดีฝันว่าหลวงปู่สามอาเจียนแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเลือดนองเต็มกุฏิไปหมดทําให้พระอาจารย์จันดีนึกเป็นห่วงนะว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็ปรากฏว่าคืนนั้นเองครับ คืนวันที่สิบสองเมษายนที่บ้านผาเด้งสมภารเจ้าวัดองค์ที่ว่านั่นเรียกคารวะ ส, สองคนซึ่งเป็นเพื่อนกันนิสัยผ่านเกเรแล้วก็ให้เงินไปซื้อเหล้ามากินกันพอเมาไมา้ได้ที่แล้วสมภารผู้มีใจมืดบอดด้วยความอิจฉาริษยาก็ให้เงินเพื่อนทั้งสองคนคนละสี่บาทให้เพื่อนไปทําร้ายหลวงปู่สามซึ่งตอนนั้นเหลืออยู่องค์เดียวที่วัด และคืนนั้นไม่มีชาวบ้านญาติโยมมาอยู่ด้วยเนื่องจากแต่ละคนมีภาระจัดเตรียมสิ่งของที่จะนำไปทำบุญในวันสงกรานต์เพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันสงกรานต์แล้วเพื่อนสองคนซึ่งมีฤทธิ์สุราเข้าไปครอบงำสติสัมชัญญะพลอยเห็นผิดเป็นชอบไปด้วยคนเลวสองคนพากันมาที่ข้างกุฏิหลวงปู่สามเวลานั้นหลวงปู่สามกลันงนั่งภาวนาจเจริญสมาธิดิ่งอยู่ในความสงบ คนเลวสองคนนั้นเริ่มทําในสิ่งที่บาปกรรมและชั่วช้าที่สุดเวลานั้นหลวงปู่สามกำลังนั่งภาวนาสมาธิดิ่งอยู่ในความสงบเจ้าคนผ่านในใช้ก้อนหินขนาดกําปั้นกว้างเข้าไปในกุฏิหินก้อนนั้นทะลุข้างฝาเข้าไปเพราะว่าฝากุฏินี่ใช้ใบตองตึงกั้นเอาไว้เท่านั้นหลวงปู่สามนี่กำลังอยู่ในสมาธิก็เลยไม่รับรู้ความเป็นไปของโลกภายนอกทั้งนั้น เจ้าคนเลวกว้างก้อนหินเข้าไปในกุฏิแล้วแต่ว่าภายในกุฏิก็ยังเงียบสงบก็กําเริบใจเขยิบเข้าไปใกล้แล้วก็อุ้มก้อนหินขนาดใหญ่ใหญ่เกือบเท่าหัวคนเอาเข้าไปด้วยพอเข้าไปใกล้จนได้ระยะก็ทุ่มหินก้อนนั้นเข้าไปในกุฏิสุดแรงเกิดหินก้อนนั้นลอยไปกระแทกใบหน้าบริเวณปากหลงปู่สามถึงกับฟันหักไปทั้งหลายสี่ตัวท่านฟกลงไปสลบหมดสติอยู่ตรงนั้นทันที เจ้าคนเลวสองคนก็พากันวิ่งออกจากเขตวัดป่าแล้วก็หายไปในความมืดโดยไม่ได้สํานึกว่าการกระทําของตัวเองนั้นเป็นกรรมชั่วหนักหนาสาหัสทําร้ายพระอริยสงฆ์ขณะท่านกําลังปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิอย่างนี้พลังแห่งผลกรรมย่อมรุนแรงเกลี้ยกล่อน่ากลัวเหลือเกินหลวงปู่สามสลบไปนานทีเดียวกระทั่งท่านรู้สึกตัวอีกครั้งก็เจ็บที่ปากแล้วก็เปียกๆที่จีบอลก็จุดเทียนขึ้นมาส่องดูพบว่าไอ้ที่เปียกจีบอลอยู่นะั้นเป็นเลือดของท่านเอง ท่านก็ร้องว่าใครมาทําอะไรที่นี่จากนั้นท่านก็พยุงสังขารเดินไปที่หมู่บ้านเมื่อชาวบ้านเห็นหลวงปู่สามถูกรอบทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสก็รีบเข้ามาถวายการปรถมพยาบาลให้ท่านชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าก็พากันไปที่วัดป่าแล้วก็กระจายกันค้นหาผู้ที่บังอาจทำร้ายพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีแต่ว่าคนเลวสองคนนั้นหลบหนีไปแล้วหากอยู่ที่เก่าแล้วชาวบ้านกําลังโกรธแค้นจับตัวได้สงสัยว่า มันคงเอาชีวิตไม่รอดแน่นอนเช้าวาันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็ออกสืบสอหาตัวคนรอบทำร้ายหลวงปู่สามไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็แสดงอาการโกรธแค้นคนเลวสองคนที่เป็นผู้ลงมือกระทำความชั่วนึกไม่ถึงว่าชาวบ้านจะมีปฏิกิริยารุนแรงขนาดนี้ต่างก็หวาดกลัวว่าความลับของตัวเองจะรั่วไหลก็เสีแสงแกล้งทำเป็นเดือดเป็นแค้นตามไปด้วย ส่วนสัมพันธ์เจ้าวัดเองก็พลอยหวั่นหวาดไม่เป็นสุขเพราะว่าตัวเองเป็นคนอยู่เบื้องหลังการกระทําอันเลวทามครั้งนี้อีกไม่กี่วันต่อมาผู้ใหญ่บ้านก็สืบทราบว่ามีใครที่รอบทําร้ายหลวงปู่สามก็มาเรียนปรึกษาท่านวัดจะจับตัวผู้ทําผิดไปลงโทษแต่ว่าหลวงปู่สามท่านห้ามไว้ท่านบอกว่าอย่าทําร้ายเขาเลยให้แล้วกันไปเสียเรื่องจะได้ยุติไม่ต้องจองเวียนสร้างกรรมสืบต่อไปอีกเหตุที่เขามากระทําอย่างนี้ก็เนื่องจากไม่รู้ว่าความดีความชั่วเป็นอย่างไร หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วเขาอาจจะสำนึกผิดไม่ประพฤติตัวในทางชั่วต่อไปแม้จะถูกประทุษร้ายถึงเพียงนี้หลวงปู่สามก็ยังตั้งใจจะจำพรรษาต่อไปไม่ยอมหนีไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าพระอาจารย์จันดีเห็นว่าจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านจะไหม่ก็ขอประชุมชาวบ้านแล้วก็บอกว่าถ้าพวกท่านจะจำพรรษาต่อไปชาวบ้านสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นทุกคนก็ให้สัญญาเขาก็จัดเวรยามมาดูแล ท่านก็จำมันสาที่วัดป่าผาเด้งต่อไปกรรมชั่วที่คนทั้งสามได้ก่อขึ้นแม้ว่าหลวงปู่สามจะอโหสิกรรมให้แต่ผลแห่งกรรมไม่ยอมอโหสิมันปรากฏทันตาทันใจอีกไม่กี่วันต่อมาสมผ่านเจ้าวัดและคนเลวสองคนก็ล้มป่วยพร้อมๆกันนอนสมทุรนทุรายได้ไม่นานก็เสียชีวิตไปหมดทั้งสามคนตายจากโลกมนุษย์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเสเวยกุศลกรรม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 หมายเลขโทรศัพท์0846438770ครับ0846438770ครับเข้าพรรษามาเดือนหนึ่งแล้วทำดูฟังแล้วก็เหลือเวลาอีกไม่นานก็จะถึงช่วงออกพรรษาที่พูดถึงเรื่องออกพรรษาก็เพราะว่า วันนี้จะคุยถึงเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นทุกวันออกพรรษานะครับถ้าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญทั่วๆไปก็คงไม่ต้องเอามาคุยกันรายการนี้หรอกแต่ที่จะเอามาคุยวันนี้ก็คือเรื่องของบั่งไฟพญานาครับท่านผู้ฟังคงจำปีันห้ารอสี่สิบห้าได้ปีนั้นมีข่าวฮือฮาเกี่ยวกับบั่งไฟพญานาคในแม่น้ําโขง ทั้งนี้ก็เพราะว่าปีนั้นนะ่ะเป็นปีของการประโค ม, มข่าวอย่างเอาเป็นเอาตายเพราะมีผู้โต้แย้งเกิดวิวาทะซึ่งไม่มีข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องของพยานนะ่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสื่อมวลชนทุกสาขาวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ก็ประโคมกันเกลียวกลาว เสร็จแล้วพอถึงวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน11อดของปี2545ห้าผู้คนนับแสนจากทั่วสารทิศรวมทั้งชาวต่างประเทศที่อ่านข่าวนี้ในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆที่ร่วมมือกันโหมข่าวก็เดินทางมาชุมนุมกันนน่นขนาดที่ริมฝั่งโขงย่านจังหวัดน้อง k ายที่อำเภอโพน พ, พิสัยริมฝั่งโขงเพื่อรอดูเหตุมาซจันบั้งไฟพญายนาคซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปีในวันแหละ เวลาที่ว่านั้นพอสองทุ่มเสียงเห่ ก, ก็ปรากฏขึ้นจากกลุ่มคนที่เฝ้ารอดูอย่างใจจดใจจ่อบั้งไฟลูกแรกลอยขึ้นจากกลางแม่น้ําโขงที่ยังมีกระแสน้ําไหลเชี่ยวในบางช่วงเวลานั้นสายฝนโหมเข้ามากางกั้นจนทําให้หลายคนหมดหวังที่จะได้ดูบั้งไฟที่ตั้งความปรารถนามานานปีชาวบ้านริมฝั่งโขงเชื่อว่าปีนั้นปัญญานาคพิโรสสำแดงฤทธิ์นะ ก็เพราะว่ามีการลบหลู่หลายครั้งหลายรูปแบบแล้วเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆคืนนั้นเป็นคืนที่ภาพยนตร์เรื่องส5บห้าคำเดือนสิบเอ็ดทำการฉายบนจอทั่วประเทศเนื้อหาในภาพยนตร์สร้างขึ้นทำนองว่าบัางไฟพญานาคนเกิดเพราะฝีมือพระและเนนในวัดอ่าเป็นผู้สร้างสถานการณ์ให้เกิดบังไฟพญานาคขึ้น แล้วก็ยังกำหนดสถานที่ในเรื่องว่าเป็นการกระทาของพระและเนนในประเทศลาวถัดมาอีกสามวันสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็นำรายการถอดรหัสมาเผยแพร่ฟันธงลงไปชัดเจนว่าบังไฟยยายพญาหน้าเกิดจากการยิงพลุสองแสงหรือว่าปืนสองแสงของอทหารบ้านของลาวนะหรือว่าตำรวจลาวเป็นคนยิงโดยนาภาพรายละเอียดต่างๆมายืนยันใ้เห็นเป็นช่องช่องทั้งการยิงปืน อของทาหารหรือว่าเขาเรียกทหารกองหลอนเนี่ยแล้ว ก, ก็การสัมภาษณ์ในบ้านที่บ้านโดนฝั่งประเทศลาวก็นำเรื่องราวเหล่านี้ออกอากาศถึงสองครั้งสองคราผลต่อมาก็คือการลุกฮือขึ้นต่อต้านของทัพชาวบ้านอำเภอปูนพิสัยจังหวัดน้องคายมีทั้งสอวอและสอสอของจังหวัดด้านหลังด้วยผู้ว่าราชาการจังหวัดน้องคายกับจานวนประชาชนนับพันนับหมื่น ออกมากล่าวโจมตีสถานีโทรทัศน์ช่องนั้นว่ามีเจตนาทำลายความเชื่อชาวบ้านที่มีมานานนับร้อยนับพันปีด้วยหลักฐานเลื่อนลอยไม่มีมูลแท้จริงเด่นชัดใช้วิธีสรุปเอาตามความคิดของตนเองแล้วก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้บ้างไฟพญานาคหรือลูกไฟปีนั้นแทบจะไม่ลอยขึ้นจากแม่น้ำขงเลยแต่เรื่องเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมานานหลายปีมาแล้วนะครับแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วว่า ลูกไวพยพญา น, นาคทุกวันนี้ก็ยังลอยอยู่ไ ม, ไม่ขาดหายไปไหนตามวันเวลาที่กำหนดด้วยเสร็จแล้วเรื่องเนี้ครับเรื่องของพญา น, นาคเนี่ยพระอาจารย์บุญชวนฐานาธรรมโมแห่งวัดป่าสะจุลณีอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมท่านบอกให้ทราบว่าถ้าโยมถามก็ตอบได้ว่านาคมีจริงเป็นสัตว์เดรัจฉานกึ่งเทพเพราะมีฤทธิ์ที่เรียกว่านาคฤทธิ์สร้างสิ่งใดๆได้ไดไดได หากแต่ว่าจำศีลอยู่ในสถานที่นี่นะจะเป็นงูใหญ่ลำตัวขนาดเท่าลำตาลขดขึ้นสูงมีหงอนสีแดงที่ส่วนหัวแล้วก็มีลำตัวสีน้ำเงินเข้มเกือบดำเป็นเงาประกายทีเดียวหากว่าออกจากจำศีนจะขึ้นมาจากนาคพิภพมาบนโลกมนุษย์นะ จะมาในร่างของมนุษย์มองไม่ออกว่าเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าจะมีที่สังเกตเพียงสายตามีอํานาจตาเป็นประกายแล้วก็มีสองขวัญแล้วก็จะไม่กินเนื้อสัตว์นาคถือศีลสิบเท่าเนนแล้วก็จะจําศีลภาวนาสม่ําเสมอเหมือนกับมนุษย์ที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานการบ่มเพาะอํานาจจิตอย่างนี้ทําให้นาคมีอํานาจพิเศษเช่นเทวดาเรื่องบ้างไฟพยานาคเนี่ยมีมานานแล้ว อาตมาเกิดมาห้าสิบปีแล้วโตมาก็ทราบเรื่องนี้เมื่อบวชแล้วก็ได้ศึกษาในสายกรรมฐานอธิษฐานทุดงควัตทุกปีเคยติดตามพระอาจารย์ผู้ใหญ่เดินทางไปทุดงในสถานที่วิเวกต่างๆเนื่องจากอาตมาเป็นพระธรรมยุทธ์บวชสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็ยึดมั่นในปฏิปทาของท่านมาตลอดได้ศึกษาเรื่องราวชีวิตทุดงควัตของท่านและพระอาจาร ย, ายใ์ใหญ่ๆอีกหลายรูป โดยเฉพาะหลวงปู่คำคนิงพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธรรมยุตธลาวทุกรูปต่างก็นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับถ้ำลึกลับใต้แม่น้ำขงมากล่าวไว้ในประวัติแล้วก็ยังกล่าวถึงเรื่องราวของนาคพิภพในบาดาลใต้ลำน้ำขงซึ่งจะมีทางลอดไปสู่แม่น้ำเส้นใหญ่ๆทั้งในฝั่งลาวเช่นแม่น้ำโดนหรือว่าแม่น้าสงครามในฝั่งไทยบ้างไฟพญา น, นาคไม่ใช่ลูกไฟที่นาคจุดขึ้นมา แต่ว่าเป็นดวงไฟในรัมิตรที่บรรดาลดยนาคคาริสเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าในวันออกพรรษาทุกปีเพราะเป็นช่วงเวลาที่บรรดา น, นาคทั้งมวลออกจากการจำศีลภาวนาแล้วก็มีพิธีบูชาไฟด้วยเรื่องของพญานาคในพระครูพิสัยกิจจาธรเจ้าอาวาสวัดหลวงเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายท่านได้พูดถึงเรื่องบ้างไฟพญานาค ว่าอาตมาบวชเป็นเนนอยู่ที่วัดหลวงมาตั้งแต่ปีพศ .2492 เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเกพราะวันออกพรรษาจะเห็นเป็นดวงไฟลอยขึ้นมาจากลาน้ำขูงลอยขึ้นไม่ค่อยสูงนักสักสองสามเมตรมีลักษณะแสงและสีเหมือนกับหิ่งห้อยเห็นอย่างนี้มาทุกปีแต่ก็ไม่ได้สนใจว่ามันคืออะไรจนสิบกว่าปีให้หลังมา น, นี้รู้สึกว่าบ้างไฟจะขึ้นต่างจากแต่ก่อนขึ้นมาเป็นลูกขนาดเท่าไข่เป็ดไข่ไก่ สีแดงอมชมพูยิ่งในวันออกพรรษาเมื่อปี2543เนี่ยที่วัดหลวงของเราเนี่ยบังเอิญมีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปีนั้นบังไวขึ้นถึง780ลูกขึ้นตรงท่าน้ำวัดหลวงเลยละ่ะขึ้นติดต่อกันทีหนึ่ง7ลูกบ้าง9ลูกบ้าง13ลูกก็มีแต่ละลูกก็ลอยสูงมากเป็นร้อยเม็รเลย ยิ่งตอนที่กำลังเททองหล่อพระอยู่นี่อาตมาเห็นบั้งไฟลูกใหญ่ขนาดเท่าส้มโอนี่ลอยขึ้นมาติดติดกันถึงเก้าลูกปกติเคยเห็นแต่เท่ า, าลูกเท่าไข่เป็ดไข่ไก่อาตมาอยากจะฝากถึงคนที่จะมาดูบั้งไฟพญา น, นาคว่าเมื่อมาแล้วให้ทุกคนทำตัวให้สมกับเป็นชาวพุทธให้มีศีลห้างดดื่มสุราของมึนเมาในวันนั้นเพราะว่าเป็นวันสาคัญที่พระพุทธเจ้าเปิดโลก สเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงทางที่ดีควรจะสวดสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและรักษาศีลให้ดีเพราะว่าคนที่มาก็มีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อแต่ยังไงก็ขออย่าได้ลบลู่เพราะว่าสิ่งนี้มีมานานแล้วและคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็เชื่อแล้วเขก็นับถือกันมากด้วยมีพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของนาคก็คือเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตอ่า ท่านอุปสมบทเป็นพระเมื่อปี2471เกิดที่ข้างๆวัดพระธาตุพนมศึกษาในทางบาลีได้ป ร, ริยธรรม6ประโยค์เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมเมื่อปี2480ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้วเป็นพระเถระที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์ทางภาษาท้องถิ่นพื้นบ้านสองฝั่งลูกแม่น้าโขง สืบย้อนไปถึงภาษาไทยเดิมในสมัยโคตบณ์แล้วก็บรรพบุรุษไทยเดิมสมัยน่านเจ้าอ้ายลาวเลยทีเดียวท่านเล่าถึงเรื่องพยานนาคที่วัดพระธาตุพนมเกิดขึ้นภายหลังจากที่ท่านตั้งสำนักกรรมฐานได้หนึ่งปีเหตุเกิดเวลาประมาณตีสองเดือนสิบเอ็ดขึ้นห้าข้าปีพศสอง0 0้าปีนั้นคือปีกึ่งพุทธกาลพอดีคืนนั้นที่วัดพระธาตุพนมมีฝนตกหนักประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วก็พรมพรมมาอีกกว่ายี่สิบนาทีขณะที่ฝนตกนะฟ้าร้องคำรามสนันวันไหวจนแผ่นดินสะเทือนในไกลหวดชาวตลาดเมืองธาตุพนมได้ออกมารองน้ำฝนที่หน้าร้านของตัวได้เห็นแสงประหลาดเป็นลำงามโตเท่ากับต้นตาลขนาดใหญ่มีสีต่างๆกันถึงเจ็ดสีพุ่งแวกอากาศแข่งกันเป็นลำยาวหลายเส้นมาจากทางทิศเหนือ มองเห็นได้แต่ไกลก็ร้องเออะเรียกให้ภรยามาดูแสงที่ว่านั้นพอมาถึงตรงหน้าสมวัดพระธาตุพนมก็ค่อยๆลอยหายเข้าไปในวัดทีละดวงจนหมดสิ้นทั้งเจ็ดดวงเจ็ดสีครั้นรุ่งเช้าในไกลหัวและภรยาก็เล่าให้ชาวบ้านร้านตลาดฟังว่าได้เห็นแสงประหลาดโตเท่าลำตาลเจ็ดสีนี่ลอยหายเข้าไปในวัดพระธาตุพนมแต่ว่ามีคนสนใจน้อยมากต่างเข้าใจไปว่าในไกลหัวและภรยาเนี่ตาฝาดไปเอง ต่อมาอีกสองวันตรงกับวันขึ้นเจ็ดค่ำท่านเจ้าคุณธรรมราชาณวัตรได้ให้สัมมาเนรพั์ซึ่งเก่งทางสมาธิตรวจ ด, ดูด้วยทางในว่าแสงประหลาดเจ็ดสีโตเท่าลําตาลที่ในไกลหววเห็นหายเข้ามาในวัดนี้เป็นเรื่องจริงเท็จประการใดสัมาเนรพั์เข้าสมาธิอยู่ไม่นานก็เห็นพญานาคจำนวนเจ็ดตนทอดลาตัวใหญ่โตขนาดเท่าต้นตาล เรียงรายกันอยู่ณบริเวณลานพระาธาตุพนมชันน้นในพญานาคแต่ละตนมีสีต่างกันมีหงอนและคราวสีแดงเข้มมีเขี้ยวใหญ่แหลมยาวลักษณะรูปร่างหน้าตาก็คืองูยักษ์ที่น่าสะพึงกลัวจนสมณเนนทรัพย์ บ, บังเกิดอาการขนพองสยองกล้าวในขณะนั่งสมาธินั่นเองเสร็จแล้วพญานาคทั้งเจ็ดตัวก็แปลเปลี่ยนกลับกลายเป็นมานพหนุ่มเจ็ดคน แต่งองคทรงเครื่องสีขาวเรียงกันเป็นแถวอยู่ที่เดิมจะว่าก้มหน้าก็ไม่ใช่จะว่ายืนก็ไม่ใช่สั ม, มนเนนทร์ัพย์ทั้งรู้สึกหวาดกลัวและงงจนทําอะไรไม่ถูกเสร็จแล้วมานพหนุ่มซึ่งเป็นหัวหน้าคณะนาคก็ได้ถามบอกว่าพ่อเนนมีทุระอะไรอย่ากลัวจงบอกมาสั ม, มนเนนทร์ัพย์ตอนนั้นกําลังกลัวมากตอบไม่อะไรไม่ได้อย่างใจเลยจะกลับกุฏิอย่างเดียว แต่ว่าหัวหน้าพญา น, นาคทั้งเจ็ดตนก็บอกว่าพ่อเนนจะกลับแล้วเหรอขอไปด้วยนะเดี๋ยวจะไปสนทนากับท่านเจ้าคุณพอพูดสิ้นคําก็เข้าร่างสัมเนรซับทันทีด้วยพลังจิตที่ทรงอนุภาพเหนือกว่าก็ทําให้สัมมเนรซั์ในหมดความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองไปทันทีเพราะพญา น, นาคเข้าผ่านร่างแล้วสักครู่ก็มายกมือขึ้นไหวท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตรเสร็จแล้วก็บอกว่า กราบนมัศการท่านเจ้าคุณครับหม่อมชันมาสองคืนแล้วอา้อาวอึกอ้าวใครอะใครมาใครมาจากไหนพวกหม่อมชันเป็นพญานาคเจ็ดตนมาจากสะอโนดัตในเทือกเขาฮิมาลัยพญานาคเหรอหม่อมชันมีนามตามลําดับเป็นมงคล น, นามตามอริยท ร, รัพย์อันประเสริฐ องค์แรกมีนามว่าพยาสัต โ, โทนาคราชเจ้าองค์ที่สองพยาศีลวุฒโนาโคองค์ที่สามพยาหิริวุฒินาโคองค์ที่สี่พญาโอต ป, ปะุฒินาโคองที่ห้าพยาพาหุสัจจะวุฒินาโคองค์ที่หกพยาจาควัตนาโคองค์ที่เจ็ดพยาปัญญาเตชวุฒนาโค หม่อมชั้นทั้งเจดได้รับบัญชาจากสมเด็จพระอินทราธิราชเจ้าผู้เป็นใหญ่ให้มารักษาพระอุรังคธาตุพระทาตพนมเนื่องจากเหตุพวกเทพยดาที่รักษาองค์พระทาตุพนมอยู่ก่อนนี้นิสัยไม่ดีอาศัยแต่กินสินบนเส้นสวงของชาวบ้านพวกหม่อมชั้นได้ขับไล่เทพปยดาชั่วช้าเหล่านั้นให้หนีไปหมดแล้วพวกหม่อมฉั้นไม่ต้องการอามสิสินจ้างรางวัลเครื่องเส้นสวงใดๆทั้งสิน้น ขอเพียงแต่น้ำบูชาถ้วยเดียวหรือว่าแก้วเดียวก็พอใจแล้วพวกหม่อมชันทั้งเจ็ดจะรักษาองค์พระธาตุพนมไปจนกว่าจะหมดสิ้นศาสนาของพระสมณะโคดมท่านเจ้าคุณพระธรรมราชาุวัตรได้ฟังแล้วก็ยังไม่ปรงใจเชื่อเพราะว่าการผ่านเข้าผ่านร่างหรือว่าทรงเนี่ยท่านเชื่อว่ามีจริงแต่ว่าวิญ ญ, ญาณที่มาสิมีทั้งหลอกลวงแล้วก็ของจริง ต้องใช้วิจารณญาณอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้ตกลงไปในบ่วงแห่งความงมงายท่านก็พยายามซักถามต่างๆเพื่อทดสอบว่าเป็นดวงวิญญาณพญานาคจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงพวกเปรตอสุรกายพูดผีปีศาจเรร่อนเข้ามาสิงมาแอบแฝงร่างสัมมะนเนรพั์แล้วก็อวดอ้างตัวเองเป็นพญานาคผู้มีศักดานุภาพยิ่งใหญ่หรือว่าจะเป็นเพียงอำนาจสมาธิหรือว่าความรู้ของสัมมานเนรพย์เอง ที่วาดภาพปรุงแต่งเรื่องราวให้พิลึกพิลั่นเอาเองพูดเอาเองเพราะธรรมชาติของจิตนั้นมันเกิดมาก่อนสร้างโลกโดยสำ้ำจิตมันรู้สารพัดอย่างจิตมันท่องเที่ยวเวียน ว, ว่าอยู่ในห่วงวัฏสงขานมาแล้วนับล้านล้านกโกฏปีไม่รู้ต้นรู้ปลายมันก็สะสมความรอบรู้ไว้มากมายไม่มีสิ้นสุดเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับคุยเรื่องพญานากันต่อสวัสดีครับ เดี๋ยวมาคุยกันต่อถึงเรื่องพญานาคทั้งเจตนที่มาที่พระธาตุพนมนะครับในวันเวลาต่อมานี่พญานาคทั้งเจ็ดก็ผลัดกันมาเข้าผ่านร่างสามเณรซับคือให้เป็นร่างทรงของพญานาคอยู่เรื่อยๆมาแสดงธรรมะบางโอกาสก็แจ้งข่าวที่ทางวัดจะเดือดร้อนให้ทราบล่วงหน้าแล้วก็แนะวิธีแก้ไขเหตุเดือดร้อนนั้น ปรากฏว่าถูกต้องแม่นยำน้าพิสวงแต่ท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานวัตรก็ยังไม่ยอมเชื่อถือเพียงแต่รับฟังเอาไว้เท่านั้นอยู่ต่อมาวันหนึ่งก็มีการเข้าผ่านร่างสัมมณีทรัพย์อีกท่านเจ้าคุณก็เลยให้พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งชำนาญในฌานสมาธิใช้พลังจิตตรวจสอบดูซิว่าดวงวิญญาณหรือว่าโอปติกะที่มาเข้าผ่านร่างสัมมณีทรัพย์นี้เป็นพญา น, นาคจริงหรือว่าเป็นผีเปรตกันแน่ พระภิกษุรูปนั้นนั่งทางในตรวจสอบดูแล้วก็ได้พบว่าโอปาติกะหรือว่าวิญญาณที่เข้าร่างสัมมาเนนทรัพย์นั้นไม่ได้แทรกซ้อนเข้าไปในร่างของสัมมาเนรทรัพย์หากแต่ยืนเพ่งพลังจิตสะกดอยู่ข้างหลังสัมมาเนรทรัพย์เป็นร่างของชายหนุ่มรูปงามแต่งองค์ทรงเครื่องคล้ายเจ้าฟ้ามหากษัตริย์สมัยโบราณแต่มีรัศมีออกจากกายเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ยังมีชายหนุ่มอีกหกคนรูปงามเช่นเดียวกัน แต่งองทรงเครื่องแบบเดียวกันแต่ว่ามีรัศมีไม่เหมือนกันสีเขียวนินสีเขียวอ่อนสีเหลืองสีชมพูสีแสดแล้วก็สีขาวพระวิสุผู้นั่งทางในก็ถามโดยทางสมาธิว่าท่านทั้งเจ็ดนะ่ะเป็นใครขอให้บอกมาตรงๆงคำตอบที่ได้รับก็คือเป็นพญา น, นาคทั้งเจดมาจากสะอโนดัตในป่าหิมพานตสมเด็จพระอินทราธิราชผู้เป็นใหญ่ ทรงมีบัญชาให้มาเฝ้ารักษาองค์พระาธาตุพนมเนื่องจากเหตุว่าพวกเทพปยดาที่เฝ้ารักษาพระาธาตุอยู่ก่อนนิสัยไม่ดีชอบเห็นแก่อมิตรเครื่องเส้นสังเวยเล่าวยาปลาปิ้งหมูเหเ็ดเปไก่ของขาวหวานานานาเป็นที่อับอายขายหน้าแก่คนต่างศาสนาทําให้พุทธศาสนาเศร้าหมองดังนั้นจึงได้ขับไล่เทวดาเหล่านั้นให้หนีไปแล้วแล้วพวกตนทั้งเจ็ดซึ่งเป็นพญานาคผู้มีฤทธานุภาพ เข้าทําการรักษาหน้าที่สืบแทนเมื่อท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตนได้ทราบจากพระที่นั่งทางในยืนยันว่าเป็นพญา น, นาคจริงไม่ใช่พูดผีปีศาจแอบแฝงแสดงตนมาท่านโยคุณก็ถามบอกว่าท่านเป็นพญา น, นาคเข้ามาปรากฏในที่นี้แล้วทําไมถึงได้แสดงร่างมาเป็นเทพบุตรหากเป็นพญา น, นาคจริงก็น่าจะแสดงร่างของพญานนาคให้ปรากฏแก่ผู้นั่งทางในได้เห็นประจักษ์ พญานาคก็ตอบผ่านร่างของสามเณรทรัพย์บอกว่าการที่พวกม่อมฉันไม่แสดงร่างเป็นพญานาคให้เห็นในสมาธินั้นก็เปรียบเสมือนคนเราได้เห็นผ้าขาดเนี่ย่อมจะไม่สวยงามตาอันว่าสภาพร่างของพญานาคนั้นเป็นที่น่าสะพึงกลัวไม่งามตาสําหรับมนุษย์ไม่ใช่หรอือท่านเจ้าคุณเอาแล้วท่านมาเฝ้ารักษาองค์พระทาตุนมนี้จะเฝ้ายัางไงมอมฉันพญาสัตวโทนาคราช รักษาพระธาตุพนมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือพญาศิลวุฑโธและพญาหิริวุธินาโครักษาด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้พญาโอตปะวัฒนาโคและพญาพาหุสัจจะรักษาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้พญาจักอุธินาโคและพญาปัญญาเตชะรักษาด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือท่านเจ้าคุณก็ถามตอไปว่าพญานาคน่มีความ การกินอยู่หลับนอนอยังไงพวกม่อมฉันมีทิพย์วิมานอยู่ใต้องค์พระาธาตุพนมจะเรียกว่าอยู่ใต้บาดาลก็ถูกเป็นทิพย์วิมานที่สวยงามมากมีสระน้ำมีสวนดอกไม้มีภูเขาเงินภูเขาทองว่างๆนิมนต์ท่านเจ้าคุณลงไปเที่ยวดูชมก็ได้ผู้เจริญพระกรรมฐานดับอายตนะได้แม้เพียงห้านาทีก็สามารถจะเห็นพวกหม่อมชันได้ทางฌานสมาธิ สัานเจุ้ลก็เลยถามว่าอา้าวงั้นที่พระธาตุพนมนี้ก็เป็นสวรรค์ชั้นฟ้าด้วยเหรอเขาก็ตอบว่าถูกแล้วโลกมนุษย์กับสวรรค์นี้ย่อมซ้อนกันอยู่เหมือนกับละองน้ํากับอากาศก็ย่อมจะกลมกลืนกันอยู่เมื่อสร้างพระธาตุพนมเสร็จแล้วพญาทั้งห้านครผู้ร่วมกันสร้างนี้ได้กลับบ้านเมืองของตัวและพระมหากระสปะเถระเจ้าพร้อมด้วยพระอาหารหันต์ทั้งห้าร้อยรูปได้กลับไปสู่ชมพูทวีปแล้ว สมเด็จพระอินทราธิราชเจ้าได้ทรงแต่งตั้งเทวดาจำนวนมากให้พากันอยู่ปกปักรักษาองค์พระทาตพระนมเทวดามีจำนวนทั้ง4ี่พันองค์มาเหสักหลักเมืองอีกสามองค์เมื่อสถานที่ใดมีเทวดามาสิงสถิตที่นั่นก็จะต้องเกิดมีสวรรค์วิมานของคู่บุญบารมีให้เทวดาได้อยู่อาศัยเสมอไปอันนี้เป็นกฎธรรมดาอย่างหนึ่งในโลกวิญญาณ เมื่อพวกม่อมชันมาถึงวัดพระธาตุพนมเพื่อรับหน้าที่แทนเพื่อขับไล่พวกเทวดาเก่าแก่เหล่านี้ให้หนีไปหมดแล้วสภาวะทิพย์หรือปราสาทวิมานสวรรค์ชั้นพ้าของเทวดาเหล่านั้นก็หายไปเหมือนเงาตามตัวทิพวิมานหรือว่าที่อยู่อาศัยตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคประดามีงเทวดาทั้งหลายย่อมเกิดมาได้ด้วยกุศลผลบุญที่เคยสร้างสมไวจัดเป็นบุญยริศคือริที่เกิดด้วยบุญ ยังพวกมอมฉันพอมาถึงพระทาตพนมก็สัแดงบุญยฤทธิ์โดยอัตโนมัติก็ให้เกิดสวรรค์วิมานใต้บาดาลอยู่ภายใต้องค์พระทาตเป็นอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนอยู่กับโลกมนุษย์ท่านเคุณก็ถามว่าเอาแล้วพวกพญานาคที่อยู่ใต้ดินใต้บาดาลเขามีการหายใจกันได้ยังไงเขาก็ตอบบอกว่าทารกในคันมารดาหายใจได้ตัวด้วงในไม้หายใจได้ พวกไสเดือนในดินหายใจได้อย่างไรพวกพญานาคทั้งหลายก็หายใจได้อย่างนั้นดุจเดียวกันท่านโยคุณก็ถามต่อไปอีกว่าสามเณรทรัพย์เนี่ยเป็นสามเณรมีศีลสังวรมีสมาธิถึงชนันขณะที่สามเณรทรัพย์เข้าสมาธิตรวจสอบในวันแรกได้พบท่านทั้งเจ็ดที่ลานพระธาตุพนมนั้นอยากจะถามว่าทำไมท่านจึงสามารถเข้าผ่านร่างสามเณรทรัพย์ซึ่งกําลังทรงชานสมาธิได้ เพราะว่าเท่าที่อาตมาได้รู้นั้นนักบวชซึ่งมีศีลประพฤติพรหมจรรย์ถ้าอยู่ในสมาธิแล้วติดต่อกับผีสางเทวดาได้แต่จะถูกผีสางเทวดาเข้าสิงให้หมดสติสัมปชัญญะไม่ได้อาตมาสงสัยก็ขอได้โปรดตอบให้ทราบด้วยเพราะว่าวันนั้นนะ่ะโยมน่ะเข้าแทรกเข้าสิงสามเณรมาพญานาคก็ตอบว่าธรรมดาผู้มีศีลสะอาดบริสุทธิ์รักษาพรหมจรรย์ไม่มีดังพร้อย ขณะดำรงอยู่ในสมาธิฌานกําลังเข้าฌานอยู่พูดผีปีศาจมิจฉาทิฏฐิติดต่อด้วยได้แต่ไม่สามารถจะเข้าสิงบังคับให้สูญเสียสติสัมปชัญญะได้ยกเว้นแต่ผู้จเจริญสมาธิฌานในรูปแบบสายดําอันงมงายฝ่ายมิจฉาทิฐิอันนั้นก็ย่อมจะถูกพวกพูดผีปีศาจฝ่ายสายดําพวกเดียวกันเข้าสิงผ่านร่างให้เสียสติวิปลาสได้ในกรณีของสมเณรทัพย์ เจริญชัน่ายสัมมาทิติมีข้อยกเว้นอยู่ว่าวิญญาณชั้นสูงคือเทพเจ้าและระดับพรหมสามารถเข้าสิงหรือเข้าผ่านร่างสามเณรทรัพย์ได้ด้วยเหตุสองประการคือประการแรกเพราะว่าเทพเทวดาหรือพรหมเคยมีกรรมเก่าผูกพันกับสามเณรทรัพย์มาก่อนในอดีตชาติประการที่สองเทพเจ้าหรือพรหม มีกําลังจิตสูงกว่าแก่กล้ากว่าปรารถนาจะเข้าสิงเข้าผ่านร่างเพื่อสร้างกุศลผลบุญเป็นบา ร, รมีไว้ในโลกมนุษย์ม่อมฉันเข้าผ่านร่างสา ม, มนเณรทรัพย์ก็ด้วยเหตุประการหลังเพราะต้องการจะติดต่อกับท่านเจ้าคุณเพื่อจะได้แจ้งให้ทราบว่าพวกมอมฉันทั้งเจ็ดได้มาทำหน้าที่ปกปักรักษาองค์พระทาตพนมแล้วครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ท่านเจ้าคุณพระธรรมราชาน누วัตท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ที่จะต้องมีการทรงกันภายในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะทรงนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านคือเป็นสั ม, มนเนนอยู่ในวัดด้วยแต่ถึงอย่างนั้นท่านเจ้าคุณก็ถามว่าเออแล้วท่านจะให้อัตมาช่วยอะไรได้บ้างหม่อมฉั้นไข่จะขออารัธนาท่านเจ้าคุณให้ช่วยเป็นประธานในการประทับผ่านร่างทุกครั้งไป อ้านีหมายความว่าจะมีการเข้าทรงกันอย่างเป็นงานเป็นการอย่างนั้นเลยเหรออันนี้จำเป็นต้องทำครับท่านเจ้าคุณเนื่องจากพวกหม่อมฉันไม่สามารถจะติดต่อกับมนุษย์ปุตุชนได้โดยวิธีอื่นจะไปเข้าร่างอื่นก็ไม่ได้ยกเว้นผู้ที่ได้สมาธิชานจึงจะติดต่อกันได้โดยตรงมนุษย์ปุตุชนธรรมดาทั้งหลายที่ได้สมาธิชาญนีน่หายาก เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหายากที่จะทำความสงบใจให้เกิดสมาธิถึงขั้นชาญอย่างสัมเาเนน้ได้ท่านเจ้าคุณท่านก็บอกว่าไอการเข้าทรงผ่านร่างเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อต้องการจะรู้ความเป็นจริงเนื่องกับศีล ร, รมคำสอนในศาสนานี่อาตมาพอจะอนุญาตได้ฮะแต่ถ้าเป็นทรงด้วยเรื่องอื่นที่เข้าขายเดรฉานวิชานี่อาตมาทำไม่ได้นะ เพราะอะไรล่ะครับก็พร้อมเป็นวิธีหากินของพวกคารวาสเน่ยอันเนื่องมาจากวิชาการทางไสยศาสตร์พระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุทำแบบนี้เรื่องนี้หม่อมฉันเข้าใจดีแต่พวกหม่อมฉันทั้งเจ็ดนี่จะไม่ประทับผ่านร่างเจ้าคุณหรือว่าพระภิกษุจะขอผ่านร่างในร่างสามเนนหรือว่าแม่ชีซึ่งถือศีลไม่มากการเข้าผ่านร่างสามเณ น, นหรือแม่ชีนี่ไม่ผิดพุทธบัญญัติ และการผ่านร่างก็เพื่อช่วยเหลือความทุกข์ความเดือดร้อนให้ประชาชนจัดเป็นเมตตากรุณาในหมวดพรมวิหารธรรมนะครับและพวกม่อมฉันก็มีเจตนาบริสุทธิ์และเป็นเทพเทวดาผู้รักษาพระพุทธศาสนาจึงย่อมจะไม่มีจิตคิดบ่อนทำลายพุทธบัญญัติให้ตัวเองเป็นบาปเป็นกรรมท่านเจ้าคุณท่านก็บอกว่าถึงอาตมาจะไม่ได เป็นผู้ผ่านร่างรู้ว่าทรงเองแต่ก็อยู่ในข่ายผู้ให้การสนับสนุนนี่ก็ย่อมผิดพุทธบัญญัติเหมือนกันเรื่องนี้เขาก็มีกล่าวไว้ในสามัญญาพราสูตรแต่ว่าท่านยคุณครับเจตนาการจัดให้มีการเข้าผ่านร่างเพื่อสงเคราะห์ประชาชนผู้มีทุกข์โดยไม่ได้มุ่งหวังสินจ้างรางวัลอะไรหม่อมฉันเห็นว่าไม่เป็นการผิดพุทธบัญญัติ แต่กลับจะได้กุศลอนิสงส์สอีกเพราะว่าได้เมตตากรุณาช่วยให้ประชาชนรอดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนและวิธีการของศิยศาสตร์ที่ดีๆในพุทธศาสนาก็นำเอามาดัดแปลงเอาของศิยศาสตร์มาใช้ก็มากนักปราชทั้งหลายต่างก็ยอมรับกันว่าพุทธกับไสยนี่ย่อมอิงอาศัยกันในสามัญญาพราสูตรห้ามพระสงค์ทาพิธีวางศิลาฤกห้ามทาพิธีเบิกแววนเวียนเทียน ห้ามลงเลขอักขระยันต่างๆห้ามรดน้ำมนต์แต่ในความเป็นจริงแล้วพระสงฆ์ก็ทำสิ่งเหล่านี้มาแล้วตั้งแต่อดีตกาลจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่ได้ขาดในรัตนสูตรนี่พระ อ, อนนต์ก็เอาน้ำมนต์ไปรดไปพรมทั่วเมืองเพื่อขับไล่พูดผีปีศาจเสนียจันไรทั้งหลายให้หมดสิ้นไปท่านเจ้าคุณโปรดได้ไตรตรองพิจารณาดูเถอะครับท่านเจ้าคุณก็ตรึกตรองดูแล้วก็มีจิต อุ่นอ่อนตามเพราะว่าเมื่อตรองด้วยปัญญาดูแล้วก็เห็นว่าประชาชนทั้งหลายจะได้รับประโยชน์กันอย่างกว้างขวางเพราะว่าท่านเชื่อแล้วว่าวิญญาณนี้เป็นเทพเจ้าเป็นพญา น, นาคผู้ปกป้องรักษาพระาศาสนาเมื่อเป็นเทพผู้ปกปักรักษาแล้วย่อมจะไม่กระทําสิ่งใดอันจะนํามาซึ่งความเสียหายให้กับพระาศาสนาแน่ดังนั้นท่านก็เลยยอมรับจะให้มีการเข้าผ่านร่างได้ในวัดแล้วก็ถามรายละเอียดว่า พวกท่านทั้งเจดนี้จะสงเคราะห์ประชาชนแบบไหนอะพญาสัตว์โทนาคราชก็ตอบผ่านร่างสามเณรซั์บอกว่าพวกหม่อมฉั้นจะขอยืมร่างสามเณรหรือว่าแม่ชีเป็นร่างผ่านร่างคาวาตไม่เอาเพราะคาวาตถึงแม่จะรักษาศีลห้าหรือว่าศีลแปดได้แต่ก็ยังมีชีวิตคลุกคลีอยู่กับลูกเมียลูกหลานถือว่าไม่สะอาดบริสุทธิ์พอประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือจากพวกหม่อมชั้นนั้น ขอให้ท่านเจ้าคุณทำบัญชีจดรายชื่อไว้ทุกคนเพื่อเป็นหลักฐานเหมือนกับทะเบียนประวัติคนไข้ตามโรงพยาบาลจากนั้นค่อยนำคนที่มีทุกร้อนนั้นเข้ามาพบกับพวกของหม่อมชั้นถ้าเขาเป็นโรคาพยาธิในหม่อมฉั้นจะได้ตรวจ ด, ดูว่าเป็นอะไรเมื่อรู้แล้วก็จะรักษาให้อาจจะสั่งยาให้กินเช่นยาไทยยาจีนยาฝรั่งหรือว่าสมุนไพรที่ขึ้นอยู่ตามเลือกสวนไร่นาซึ่งหาได้ง่าย แต่ถ้าเป็นโรคประเภทจิตประสาทจิตผ่นเพลินเป็นป่วงเป็นบ้ามึนงงหลงไหลหวาดกลัวร้องไห้หัวเราะ อ, อะไรเหล่านี้หรือว่าปวดหัวมัวตาเป็นโรคลมต่างๆถูกผีเจ้าเข้าสิงถูกคุณใสต่างๆประเภทหลังนี้พวกหมอมฉันจะรักษาด้วยมนทรศักดิ์สิทธิ์อำนาจของเทวฤตอาจจะด้วยการอาบน้ำมนหรือว่าสะกดสั่งด้วยอำนาจจิตให้โรคร้ายหายไปเออมันก็ดีนะมีประโยชน์กับชาวบ้าน แต่ว่าอาตมาขอห้ามไว้อย่างคืออย่าได้ให้หวยนะ่ะเพราะมันเป็นอบายมุกแห่งความจิตหายของชาบ้านพวกมอมฉันไม่ทําอย่างนั้นแน่เพราะว่าการพนันเป็นความต้องห้ามที่พระองค์ทรงห้ามอยู่แล้วเแล้วพวกท่านต้องการจะให้มีเครื่องเส้นสูงอะไรบ้างเครื่องเส้นสวงต่างๆไม่เอาไม่ต้องนะพุทธศาสนาต้องไม่มีเครื่องเส้นสังเวยอะไรทั้งนั้น แต่อย่างไรก็ตามพวกหม่อมฉันต้องของน้ำสักถ้วยหรือว่าแก้วเดียวก็พอแล้วเพราะว่าน้ำเป็นสั ญ, ญลักษณ์สภาวะของชาวนาพิภ พ, พ, พถ้าผู้ใดมีจิตระลึกถึงพวกหม่อมฉันต้องการความช่วยเหลือใดๆก็ให้ตั้งถ้วยใส่น้ำหรือว่าแก้วน้ำขึ้นเอาดอกมะลิลอยในน้ำนั้นจุดธูปหอมเจ็ดดอกอธิษฐานจิตนึกถึงพวกหม่อมฉันไม่ว่าจะอยู่ไกลแสนไกลาจากแข่งหนตาบลใดในโลก พวกมอมฉันสามารถจะรับรู้ได้ทันทีด้วยทิพยอําะอำนาจของพญานาคนี่ก็คือต้นเหตุความเป็นมาของพญานาคทั้งเจ็ดที่พระธาตุพนมแล้วก็มีการเข้าผ่านร่างตั้งแต่ปีพศ2500เป็นต้นมาแล้วก็มาเลิกเอาเมื่อปีพศ2518ตอนที่องค์พระธาตุพนมโค่นล้มพังทลาย เพราะว่าท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตนท่านมีภาระหนักในการเป็นประธานในการก่อสร้างองค์พระทาตพนมใหม่ก่อนที่พระทาตพนมจะโค่นล้มลงในเดือนสิงหาคมปีพศ2518นั้นเมื่อเดือนพฤษภาคมคือก่อนหน้านั้นสามเดือนพยานนาคทั้งเจได้เตือนให้รู้ล่วงหน้าว่าองค์พระทาตพนมสุดโทมแล้วขอให้รีบบูรณะปฏิสังขรณ์เสียโดยเร็ว ซึ่งก็ตรงกับนายกซิเย่ผู้เชี่ยวชาญของฝรั่งเศสตรวจพบเมื่อปีเดียวกันนั้นแล้วก็รายงานให้ทางกรมศิลปากรทราบเมื่อเดือนเมษายนปี2518ก่อนหน้าที่พระธาตุพนมจะโค่นล้มลงสเดือนซึ่งทางกรมศิลปากรและทางวัดพระธาตุพนมก็ได้เตรียมการจะทําการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่แล้วแต่แล้วองค์พระธาตุพนมก็ได้ถล่มลงมาเสียก่อนเร็วเกินคาดหมาย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 6 4ส877 0ครับ084 643 8 7ส0ครับ